แล้วที่สงขาใครอยู่มิง้ง ม, มิงก็ทิ้งมนันแล้วผมก็มีผมอยูอ่ครับผมถ้ามิ้งบวชเป็นไงไปถึงบ้านนะครับไม่ถ้ามิ้งมาบวชจะเป็นไงพี่สาวจะว่าอย่างไงอเอาสาธุเลยเหรอ <c oughs> สาธุสาธุ บวชได้ก็ดีเนาะแต่บวชแล้วจะดีหรือไม่ดีก็อีกเรื่องหนึ่งมันก็น่าแปลกที่ว่าการบวชก็เป็นสิ่งที่ดีแต่บวชมาแล้วทำไมมันยังมีนักบวชที่ไม่ดีอยู่เป็นเพราะอะไร บวันแรกเขาเร็วเลยหรือเปล่าก็าไม่ได้เร็วเลยใช่ไหมแล้วเขาไปเร็วตอนไหนไม่ดีตอนไหนที่เห็นพฤติกรรมพาต่างๆนานาที่ไม่ดีอย่างนในกินเหล้าเสพ ย, ยาม마าอะไรเงี้ยเสพ ย, ยาบ้าเน่นะ ก็ทุกคนมีความโลภคอบงำกันทั้งนั้นสามารถทำสิ่งที่มันไม่ดีได้ตลอดเวลากันทั้งนั้นตอนเข้ามาบวชก็หวังว่าอยากจะออกจากการคอบงำของความโลภแล้วเข้ามาอยู่ในสถานสถานที่ที่เป็นเขตพุทธาวาสสังฆาวาสแทนที่จะได้รับความสงบในจิตในใจ แต่กับถูกความโลภที่เราหลีกออกมาคนะาดว่าจะยกตัวเองออกจากการครอบงำนะั้นถูกความโลภความโกรธความโลงติดตามมาครอบงำใจได้อีกอันนั้นเป็นเพราะอะไรไมีรีโอตับป ะ, บปะมันก็ทุกคนก็ต้องมีความพลาดเผยกันอยู่แล้วมันจะให้มีอยู่ตลอดเวลาก็ยากอยู่เหมือนกันในคน ที่เป็นปุถุชนบางคนก็เพียนแต่มันมันตันไปบด่ะมันผัดไปไม่ได้เพียนไปไม่ได้ก็เพียนอยู่นะอาจารย์เคยเห็นพระพิสูุน์ที่ทำความข้าเพียนเพียนจนเกิดวิปลาสขึ้นมาก็มีเพียนมากเกินไปฟุ้งซ่าน อันนั้นแน่นอนอ่ะอนนนในส่วนหนึ่งแต่อย่าลืมว่าการที่ได้เกิดมาเป็นคนล้วนแล้วแต่เกิดมาจากพลังของบุญหรือความดีที่เคยทำกันมาทั้งนั้นความเป็นคนจึงไม่ใช่การเกิดขึ้นมาลอยๆอยโดยที่อยากจะเกิดก็้มาเกิดกันเลยไม่มีบุญเพียงพอไม่มีทางที่จะได้สิทธิ์ในความเป็นมนุษย์มนุษย์จึงได้ชื่อว่าเป็นสมบัติอันหนึ่งในบรรดาสมบัติที่ควรจะได้สาหรับตัวบุคคลผู้เกิดขึ้น สวรรค์สมบัติก็เป็นที่ตั้งต่อไปโพระมสมบัติก็เป็นที่บําเพ็ญนิพพานสมบัติก็เป็นที่พ้นทุกข์แต่สัตว์สัตว์โดยละชันนี่เขาไม่เรียกว่าสมบัติเปรตเขาไม่เรียกว่าเป็นเปรตสมบัติ่ไม่ไมใช่มีพระดีพระไม่ดีแล้วพระไม่ดีทําไมมันมากกว่าพระดีคืออะไร แต่เราก็ยังนิยมบวชพระกันอยู่ทั้งท่นมาตาส่วนทั้งดีและไม่ดีมันแตกต่างกันมากพระดีน <c oughs> ี่มีกี่เปอร์เซ็นต์พระไม่ดีมันมีเยอะแปดสิซในทํานองนี้เจอแล้วว่าที่บวชกันมาไม่ได้บวชเพื่อเอาดีกันเหลยหรือรบวชอะไรนี่การบวชไม่ใช่สั ญ, ญลักษณ์แห่งความดีที่แท้จริงเหรอหรือมันเป็นเพราะอะไร พระพเจ้าบอกว่าบุคคลที่จะเป็นโสดาบันได้เขาเป็นด้วยเหตุใดบ้างเราสามารถจะรู้รู้ได้ว่าใครจะเป็นบุคคลใครจะเป็นโสดาบันหรือไม่เป็นโสดาบันดูได้จากไหนไม่รู้เลยพรอาทิตย์อาทิตจะขึ้นเรารู้ได้มากรู้ได้ไหมว่าพราที่จะขึ้นเรารู้ได้ยังไงใช่มีแสงขึ้นโผล่ขึ้นมาก่อน บุคคลจะเป็นโสดาบันมีอะไรสอให้รู้ก่อโสดาบันนี้คือระดับความดีในชั้นความดีที่มั่นคงในศาสนานี่นะมีภาระงาอะไรที่พึ่งครับมีสีหน้าก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นเป็นแสงของโสดาบันเราจะรู้ว่าดวงอาทิตย์ขึ้นเราต้องดูที่แสงที่ขอบฟ้าเรียกว่าแสงเงินแสงทอง บุคคลจะเป็นโสดาบันได้ให้ดูที่สองประเภทสองอย่างหนึ่งกาลยานามิตรสองคืออะไรการทําในใจไว้แยบใครองประกอบสองอย่างนี่ยทาให้เป็นโสดาบันเขาเรียกว่าสามารถมองได้ว่าเขาจะเป็นโสดาบันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนที่บวชเข้ามา ที่อาศัยสั ญ, ญลักษณ์แห่งความดีคือนักบวชกระทำสิ่งที่มันไม่ดีเพราะขาดกัลยาณมิตรคนก็บอกก็อยากจะพบคนดีๆอยู่นะแต่ไม่รู้จะพบกับเขายังไงหรือเขาไม่ยอมพบกับเราด้วยอย่างนี้ก็มีนะจะทำยังไงคนดีจริงเขาจะไม่ปฏิเสธการพบหากับใคร ถ้าเขาปฏิเสธการพบหากับเราแสดงว่าเขาไม่ดีจริงก็ไม่ควรคบผู้เช่าคบคนดีคบยังไงเซวนาบัณฑิตเนี่ยอะไรชื่อว่าเป็นบัณฑิตคำว่าบัณฑิตคือเราก็หมายถึงผู้รู้บัณฑิตทุกวันนี้ถูกจำกัดอยู่ในบุคคลผู้จบการศึกษา ระดับปริญญาตรีนปริญญาโทรปริญญาเอกหรือยังไงบัณฑิตทั้งโลกเขาใช้อย่างงั้นเป็นบัณฑิตแล้วฮะก็นั่นแหละก็ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตแต่บัณฑิตในความหมายของพระพุทธเจ้าคืออะไรนะคนที่มีศีลคนที่มีศีลคนที่มีศีลบางคนก็ไม่ควรครบจริงไหมอ้าวใช่ท่านังบอกว่าใช่ ยังไงถ้จะคบใครเรายังไม่รู้เลยว่าสั ญ, ญลักษณ์หรือว่าลักษณะแห่งความเป็นบัณฑิตเป็นอย่างไรแล้วเราจะคบเข้าถูกได้ยังไงและตัวเรามีคุณสมบัติในความเป็นบัณฑิตหรือเปล่าที่จะให้คนอื่นมาคบเนี่ยไม่เป็นก็ไม่ควรครบใครแล้วก็คนอื่นมาคบก็ไม่ควรที่จะรับการครบจากเขาหมด คนที่ต่ำก็เรามีอยู่แต่คนที่เสมอเราไม่มีให้ครบและคนที่สูงกว่าเราไม่มีให้ครบผู้เจ้าบอกว่าอธิษฐานจิตอยู่คนเดียวแต่หากมีคนที่เสมอกันกับตนเองที่ควรจะครบได้แล้วไม่ครบก็ผิดมีคนที่สูงกว่าตนที่พอจะครบได้แล้วไม่ครบก็ผิดผิดที่ไม่ยอมเข้าไปคบนั้นก็มีโทษไม่เป็นมงคลแต่จะให้ครบคนที่ต่ากว่าตนนั้นอย่าคบเด็ดขาดพวงว่า ถ้าใครเป็นบัณฑิตแล้วเราสามารถรู้ได้ไม่ว่าใครเสมอกับเราหรือใครสูงกว่าเราก็พอจะรู้ได้เนาะรู้ได้ไหมแล้วก็มองว่าคนที่มีธรรมะคนที่มีธรรมะสูงกว่าเราอันนั้นคือคนที่สูงกว่าคนที่มีธรรมะเสมอกันกับเราอันนั้นก็คือคนที่เท่าเทียมกันกับเราคร บ, บได้คนที่มีธรรมะตม่ํากว่าเราควรคบเขาไหม อ้าวพี่บอกควรน้องบอกไม่ควรงั้นแสดงว่าถ้าทําเบงธรรมะต่ำกว่าพี่พี่พี่ก็ไม่ต้องคบน้องไงดิแต่ถ้าพี่เป็นบัณฑิตก็ไม่ควรจะเลือกคบใครคร้องคบใครคบใค <c oughs> รครถ้าบุคคลเป็นบัณฑิตแล้วคบกับบุคคลที่ต่ำกว่าจะเสียหายไหม ว่าอาสาจันอาจารย์คนเลี้ยงม้านี่ว่าท่านเลี้ยงม้าอย่างไรม้าที่ท่านเลี้ยงมีกี่ประเภทท่านเลี้ยงอย่างไรม้าที่ข้าพระเจ้าเลี้ยงมีอยู่สประเภทประเภทแรกฝึกง่ายให้อาหารมันเลยประเภทที่สองฝึกยากมาหน่อยอะไรเงี้ยให้มันทำสิ่งนี้ได้ก่อนแล้วให้อาหารให้อาหารเต็มที่ประเภทที่สฝึกยากมาอีกต้องใช้ใช้แส้ใช้ไวใช้ เครื่องมือในการลงควบลงลงโทษควบคุมอย่างเงี้ยผูกไว้กับหลักบ้านเงนี้ยแล้วค่อยให้อาหารให้ทําการงานาบางอย่างก่อนแล้วค่อยให้อาหารเนีย่ยนี่ประเภทที่3ามประเภทที่4ี่นี่ฝึกไม่ได้ไ อ, ไ, อไอ้ที่ที่ฝึกไม่ได้เนี่ยในหัดสาจารย์นี่ทํำยังไงในหัดสาจารย์ก็บอกค่าทีเพราะไม่รู้จะเลี้ยงไว้ทําไมเปลืองหญ้าเปลืองน้ําเปลืองข้าวเปลืองค่าที พู้เจ้าก็บอกว่าเราก็ฝึกสอนสาวกของเราประดุดดังการฝึกมากของเธอนันเองเอาแล้วบุคคลจาพวกที่สีน่นี่พวกอง์ทำไงเราก็ฆ่าทิ้งเหมือนกันฆ่าทิ้งของพวกองค์ก็คืออะไรเลิกครบหมายถึงว่าไม่ให้อยู่ในกลุ่มไม่ให้อยู่ในหมู่ไม่คบไม่ให้เข้ามาเสพไม่แนะนาไม่บอกสอนไม่กล่าวสอนอย่างเงี้ยคือเลิกคบ เนี่ยเห็นผู้ดระดับพระพุทธเจ้าผู้เป็นบัณดิตก็ไม่ใช่ครบใครมั่วแต่ประสงค์จะอนุเคราะห์บุคคลผู้ควรจะอนุเคราะห์ได้พวกก็ครบหาโดยการคำนวณดูแล้วว่าจะสามารถอนุเคราะห์เขาได้ไเพราะฉะนั้นตัวเราเองยังไม่ถึงขั้นระดับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องใคร่ควรให้มันหนักในเรื่องการครบคนแต่บางทีเราไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะคบใคร คนที่มาคบกับเราบางทีเราก็คบกับเขาจนทําร้ายชีวิตเรามาเกือบจะครึ่งชีวิตแล้วจึงจะรู้ว่าใครดีใครไม่ดีเี้ยอย่างนั้นก็มีใช่ไหมเพราเราไม่สามารถที่จะดูได้บางคนก็ดีดีตอนแรกๆนะพอไปนานๆออกโผล่ออกฤทธิ์มาทีหลังอย่างนี้มันก็คือเรื่องเรื่องที่เราเราไม่มีมาตรวัดนั่นเองเราไม่มีเครื่องวัดนั่นเอง ผู้ได้เจ้าทรงตรัสสอนไว้ธรรมะเป็นเครื่องแยกแยะบุคคลแต่บางคนก็ดูเหมือนว่าธรรมะสูงส่งเหมือนกันนะธรรมะสูงส่งน่าโคบห า, าแต่โคบหาแลว้วไปในเรื่องก็มีผู้ได้เจ้าจึงคำว่ า, าบัณฑิตจึงมองไปที่พระพู้ไเจ้าหรือตาลยานามิตรต้องมองไปที่ผู้ได้เจ้าก่อนบุคคลเช่นพระพู้ไเจ้าบุคคลเช่นพระอัครสาวกคือภาษาดิบุตรพระโมคคัลลานะ บุคคลเช่นพระอสิติมหาสาวกและบุคคลทั้งหลายที่เป็นพระอริยเจ้าที่เป็นอรหันต์และบุคคลผู้เป็นอนาคามีสกาาคามีพระโสดาบันเหล่านี้ได้ชื่อว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ควครคบเป็นบัณฑิตที่ควครพบเอาแล้วต่ำกว่าพระโสดาบันล่ะเช่นไม่มีโสดาบันในพระโสดาบันในโลกนี้ ไม่มีสกัดธาคาม่มีไม่มีอนาคา ม, มิมีอาหารหันจะคบใครพระเจ้าก็บอกว่าคบบุคคลผู้เป็นกรรมวาธีคําว่ากรรมวาธีหมายถึงว่ายึดในหลักของกรรมเพราะการที่คบบุคคลผู้ยึดในหลักของกรรมมีทิฏฐิในเรื่องของกรรมผลของกรรมเป็นบุคคลที่จะบายหน้าไปสู่สุคติเท่านั้น การที่ไม่ได้เพราะเขาเชื่อมั่นอยู่ในเรื่องของกรรมจะทําตอนไหนก็ตามมันเป็นผลติดตัวเราทั้งนั้นจะทําในที่รับหรือที่แจ้งก็เป็นผลติดตัวเราทั้งนั้นทําดีในที่รับก็ยังเป็นดีทําดีในที่แจ้งคนเห็นก็ยังเป็นความดีก็คือเป็นความดีเท่ากันอย่างเงี้ยทาชั่วในที่รับก็เป็นชั่วในที่แจ้งก็เป็นชั่ว เพราะฉะนั้นการที่บุคคลบวชเข้ามาเป็นนักบวชแต่ยังมีความประพฤติที่ไม่ดีอยู่นั่นเพราะเขาไม่ได้เชื่อเรื่องกรรมไม่ได้เชื่อเรื่องผลของกรรมอย่างแท้จริงมีมากมมยเยอะแยะเหลือเกินที่นี่ในแต่ละที่ในแต่ละอารามในแต่ละวัดนั่นหมายถึงว่าเขาขาดการอบรมถามว่าทำไมไม่มีการอบรมกัน ตัวนี้แหละคือสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาอยู่ของแต่ละที่แต่ละสำนักมันอบรมกันไม่ได้เลยไม่ยอมบอกไม่ยอมอบรมไม่ยอมสอนกันเพราะอะไรเจ้าอาวาสก็ไม่ว่างพระที่ทาหน้าที่รองเจ้าอาวาสก็ติดธุระเดี๋ยวก็ติดงานนั่นเดี๋ยวก็ติดงานนี้กิจนิมนต์นั่นกิจนิมนต์นี่ฮะเวลาว่างที่จะมาอบรมพระในวัดไม่ได้เลย มีอยู่ที่หนึง่งอยู่ทางนน่นเจ้าวาดัดวัดทางนน่นทางเชียงของแถวบ้านศรีวิไลเจ้าวาดัดออกตะเวนแต่เทศอย่างเดียวเทศเทเทศสอนชาวบ้านพระในวัดไม่ยอมสอนปรากฏว่าเสพยาบ้ากันทั้งวัดพระตำรวจจับก็จับทั้งวัดเหลือแต่เจ้าอาวาสคนเดียวพอเจ้า แก่พรรษาขึ้นมาก็สามารถเป็นที่ตั้งแห่งการคบหาของภิกษุรูปอื่นที่เขาได้เข้ามาบวชก็เป็นประโยชน์ในภายภาคหน้าแต่ส่วนมากวัดใหญ่ๆไม่ค่อยจะเป็นอย่างนั้นไม่ค่อยมีการอบรมสังขารตักสอนกันเท่าไหร่ชักชวนโยมให้ทำบุญแต่ไม่ยอมสอนพระในวัดอันนั้นก็คือมัวเมาแต่ในบุญอ น, นั้นอันมัวเบาแต่ในบุญนั้นบุญแม้แต่เป็นสิ่งที่ดีก็ตามแต่ถ้ามัวเมาแล้วก็มีโทษ มีโทษที่แท้ก็ปัฏานาราบสักการ ะ, ะนั่นแหละนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาอยู่ของอาศาสนาในเวลานี้เป็นอย่างนั้นที่พูดนี้คือเป็นความจริงอย่างที่ว่านี้เพราะฉะนั้นมงคลข้อแรกคือการคบคนจึงเป็นประตูเปิดไปสู่มงคลทั้งหลาย เราจะต้องรู้จักเลือกคบไม่ใช่จะคบไปต่อพื้ตะพื้ น, นไม่ได้แต่ไม่ใช่การถือตัวว่าเราจะคบคนนี้เท่านั้นคนอื่นเราไม่คบไ ม, ไม่ใช่อีกคือการเลือกคบเนี่ยแม้แต่ตัวเราก็ต้องเลือกพุทธเจ้าก็ยังเลือกเลยแต่เราไม่ได้จะถือตัวภายในตัวเองใครจะคบก็ได้แต่เราหมายถึงว่าเราเปิดโอกาสให้คนอื่นมาคบได้แต่เราจะไม่คบเขาได้แบบ แบบจนกลายเป็นความสนิทกันอย่างเงี้ยพอะอะไรถ้าเกิดความสนิทแล้วปับ๊บเวลาเขามีความทุกข์เราก็จะมีความทุกข์ด้วยเหมือนกันกับเขาถ้าสนิทกันแล้วนะเวลาเขามีปัญหาอะไรเขาจะเอาปัญหามารับมามาเล่าให้เราฟังแล้วเราก็จะรู้สึกถึงปัญหาร่วมกันกับเขาอี่เนี้ยต่อไปก็หากจิตใจเรายังไม่มีความมั่นคงพอก็จะถูกปัญหาเหล่านั้นครอบงาด้วย มันจะเป็นอย่างไงพระพุทธเจ้าจึงให้รู้จักการเลือกก่อนหากไม่พบกับคนที่เสมอกันกับตนไม่รู้จักหรือว่าไม่มีก็อยู่คนเดียวบางคนก็บอกอยู่คนเดียวไม่ได้ทํำยังไงยมน้องอยู่คนเดียวไม่ได้ทําไงต้องวิ่งไปหาคนนั้นคนนี้ <c oughs> ต้องอยู่ให้ได้ต้องคบกับตัวเองให้ได้ให้ <c oughs> ตัวเองไม่น่าคบเลยอยู่ <c oughs> ความจริงมันเป็นอย่างนั้นไหมทางเชีย ง, งใหม่ฮะกวดน้ำกันประจำใช่ไหมทำไมเป็นอย่างนั้นเอาไปฝากแม่ธรณีไม่ไอนางธรณีเอาบุญไปให้ญาติเราจริง<ะ>หรือเปล่า เขาว่ามาใช่ไหมตปรจานนะก็ทำบุญก็พยาตาก็จบกับบ้านเรมีกวดน้ำมีแต่ที่สําคัสิ่ะทุกวันเราเรารู้ไหมว่าการกวดน้ำมันเริ่มแรกมาจากละทิไหนหรือมีอยู่แล้วในพระพุทธศาสนาหรือเริ่มมาจากยังไงเราเคยดูไหม ไม่รู้ <c oughs> ใช่ไห ม, ไมอาตมาถามร้อยคนเขาก็บอกว่าไม่รู้ร้อยคนถ้า <c oughs> ถามถึงสองร้อยคนเขาก็จะบอกว่าไม่รู้สองร้อยคนเพราะอาตมาเชื่อว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าเริ่มต้นของการกวดน้ํามาจากไหนทั้งประเทศนี่ไม่มีใครรู้ไม่มีจุดเริ่มต้นประวัติมาจากไหนไม่มีกา ร, รกวดน้ <c oughs> ําไำถามว่ามีมาในพุทธศาสนาไหมในหลักคําสอนมีไหมที่พระองค์บอกให้กวดน้ํา ไม่มีเนี่ยเห็นไหมเรารู้แล้วว่าไม่มีแต่เราแต่พอย้อนกลับไปถามบอกว่าไอ้กวดน้ำใครเป็นคนพาทํามาในในจุดเริ่มต้นการทํากวดน้ําเราจะตอบว่าไม่รู้แต่พอเราถามบอกว่าการกวดน้ํามีในหลักคําสอนไหมเราตอบได้เลย mm hmm. เห็นไหมเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีแต่ทําไมเราถึงยอมรับการกวดน้ําเป็นกิจพิธีที่สําคัญในการอุทิศบุบุญกุศลแทรกเข้ามาในวิธี ในหลักคสอนในศาสนาได้ทก น, ท ก, นทกันเป็นกิจวัตรเลยทุกวันที่ไปแล้วคุณแม่ได้ทาหรือเปล่าก็ทำา <c oughs> แล้วไม่แปกลกใจเลยที่ไม่ได้ทำทีนี่ต่ในที่นมาอยู่เชหมนะ่่ะพอถึงวันําคัญๆโกนเมืองเขาเรียกวันอะไรละ่ะที่เขากดวยปะจะต้องทําเข้าศาเข้าศาสต์บุญเข้าศา์ บุญข้าวสากเป็นพุทธมันเป็นอะไรลูกมันอะรานป่วยสลากอ่าตัวตานป่วยสลากมันไม่ไม่ใช่ป่วยเลาบตานเข้าใหม่ตนเข้าใหม่อะไรทุกหลังคาเลยต้องมาไปหมดแต่ยเงไม่ได้ไปทานกันข้าวหรกท่านยังก็เอาบุญนีบ้านอันโ เอาประเพณีเดิมทางสุพรรณบุรีนู้นนะทสุพรรณบุรีนั้นไม่ไดก็ไม่มีดูบ้านบุรีไม่มีานข้าวนะรปรังคนพอพระยาคาก็ดวนน้ำคนเดียวก็ลับบ้านเลยถ้าจะทานข้าวรนอโศกเนี่ยนะมีการตดตวราทานข้าวบนอโศกนะเพรารทานข้าวบน กับทางอีสานจะคล้ายคลึงกันจะมีทานขันข้าทานให้เป็ดอุทิศให้เปะดเหมือนกั น, น, กนแต่ทางภาคกลางที่สิงบุรีที่อายมาเคยไปอยู่ไปเรียนส ม, มัยเป็นเนรวัดไขด่ดงก็มีการทำบุญข้าาสารเนี่ยคือให้เป็ดเนี่ยเดือ น, นสิบเนี่ยสิเพ่งเนี่ยทางใต้ก็มีใช่ไหม เออแล้วทำไมทางสุพรรณไม่มีมีนะบุญข้อศาสไทยนะกายศาสตร์นะสไทยวัดาไทยมีเดือนสิอ๋อไทยใช่ไหมเขาจะทําบันเพนเดือนสิบใช่ไหมบุญไนีนั่นคือการความหมายคือทานให้เปรตนั่นเองอุทิศทานให้เปตวัดาสไทยนั่นนะใช่ก็คล้ายๆกันกับทางเหนือที่เขาทานให้เปรตนะเาทานขันข้าวนั่นแหละเหงื่อ ว, ว, วันเดียวกันคือส0เพลงอีสานก็ส0เพลงแต่อั น, อนทำอะไรอาหารที่วางไว้กับกรับกล้วยไปวางไว้ตามถานนนั่นแหะบุญข้าวประดับดินเขาจะวางตามที่ตามทางตามพื้นดินอันนั้นภาคกลางไม่มีภาคกลาง<า> ม, มีไห<า>มใต้ก็จะวาง่หน้าวอาัอวน่า่นมาันท<า>ี่าั่อันนั้นคือเอาให้ ใ, ในในส่วนของ ผู้ทีละไปแล้วไม่อยู่ในฐานะของผู้รับบุญนะใช่อยู่ในประเภทที่ผู้ใช้กรรมเพื่อที่จะกินเศษอาหารที่เขาทิ้งแล้วอันนั้นคือไม่อยู่ในฐานะของผู้รับบุญส่วนวันเพ็ญเดือนสิบนั้นเขาทำบุญให้เปรตโดยทันทำบุญในวัดและอุทิศให้นะั้นคือให้ในส่วนของญาติที่อยู่ในฐานะของผู้รับบุญได้เป็นเปรตที่รับบุญได้อันนั้นมันจะมีอยู่สองจพวกผู้ที่รับบุญไม่ได้อันนี้ให้ทัน ทานไวเอาไว้ไว้กับดินอพอที่รับได้ก็มาทำบุญอุทิศให้เนีย่ยอยู่สองฐานะนใช่รับเป็นบุญนั่นหนึ่งรับเป็นของกินนั่นหนึ่งเขาเรียกว่าของเส้นไหว้ก็ได้ดจะเป็นทำนองนั้นก็ถือว่าใหญ่ ทำบุญให้กับบรรพบุรุษผู้ดวงลับไปเห่นหนังพาจารย์ผมผมเข้าใจว่าการปวดนาำเนี่ยมันเริ่มต้มนมาจากไี้ว่าคือไอที่คือผมเกิดเราต้องทําตามบรรพบุรุษเนาะปุยาตยยาญาทีพ่อแม่ก็สอนมาแต่ว่าในพุทธการที่ว่าที่เราพุาทธเจ้าชนะมาแล้วถ้าว่ามีแม่สอนอีขึ้นมาแล้วอีู่วยผมที่มาที่ไปยังไงเพราะว่าในตาําราที่เรียนหนังสือมาก็เป็นแบบนั้นนะครับ ตำลาเขาตกแต่งขึ้นมาในภายพยามพญานาคที่อยู่นาพิภพที่มาขดเป็นบอลลังนั่งให้กับพุทธองค์เห็นกองทัพพย า, านมามามุดหนีไปอยู่ที่นาพิภพเทวดาผู้สถิตลายล้อมอยู่แม้แต่พระอินทร์ก็ยังหนีไปอยู่นู่นขอบปากยะกวรรณเทวดาที่เป็น สถิตอยู่ที่พรศีมหาโพสถิตลายล้อมอยู่บริเวณรอบๆนั้นเห็นกองทัพพยานมารโน่นหนีไปอยู่ไกลๆตอนนั้นไม่เหลือใครอยู่กับพระธองอ์เลยนางธรณีมันจะมีฤทธิ์อำนาจอะไรไปต่อสู้กับมารได้ไปบีบมวยผมอะไรานางธรณีมันไม่ดีอย่าว่านางทรณีพ่พคมอ่ะ ที่กัรสเวีฉัดยังไปนหนีไปอยู่พม่มโลกและนางธรณีเป็นใครอนุภาพอนุภาพจะเยอะขนาดนั้นเหรือที่จะสู้พญามารได้ผู้เจ้าก็มารก็เลยบอกว่าคื อ, อยุ่กันไปอย่างนั้นแหละจริงๆไม่เคยเปราเพณีหรอกแต่อายุตามคําสั่งของหัวหน้ามารมารเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละยกยอกันเองดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้นะ่ พระเจ้าก็เลยจะให้พรมพรมก็ไปอยู่พรมอโลกแล้วห้วอาจะให้นาคมาเป็นพยานก็หนีไปอยู่นาคที่พบนุ่นพระอินทร์ก็ไม่อยู่ไม่อยู่บริเวณนั้นพรมก็เลยบอกว่าไม่รู้จะเอาอะไรเป็นพยานก็เลยชี้ไปที่แผ่นดินขอแผ่นดินนี้จงพยานเป็นพยานให้กับเราได้เถิดว่าเราได้บําเพ็ญบา ร, รมีมาครบถ้วนแล้ว น้ำที่พมทรงหลังทักซีโนโทกในการบำเพ็ญบา ร, รมีมาเสีเสยสงสยแสงกัดโผล่ขึ้นมาเป็นบา ร, รมีของพระธองค์เองไม่ใช่นางธรณีมาบีบมวยผมแล้วขอนตรงนั้นมันเป็นการกวดน้ำที่คนปุตยตายาการกวดน้ำในครัง้งในคราวที่พระเจ้า ไ ม, ไม่ใช่สัญลักษณ์ของการอุทิศส่วนกุศลอย่าลืมว่าในคราวที่โพงทรงเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในการสะสมภพชาติความเป็นพุทธศาสนาไม่ได้เกิดขึ้นแม้ในชาติของพระเวสันดอ น, นั้นก็ไม่มีพุทธศาสนาในเวลานั้นมีแต่ศาสนาพราหมณ์โภงจึงยึดถือพิธีพราหมณ์คือการหลั่งน้ําเป็นเครื่องหมายทางแต่ไม่ได้ใช้ในกรณีของการอุทิศส่วนกุศลแค่ใช้เป็นเครื่องหมายทานไว้ในสิ่งตัวเองกระทําเท่านั้นเอง เพราะจะได้มาใช้ใช้โอกาสในการผจญมาในคราวครั้งนี้เพื่อที่จะให้น้ําที่พระ อ, องค์ทสมบําเพ็นมาแสดงขึ้นมาเป็นสักขีพยานให้กับพระ อ, องค์เพราะแผ่นดินเป็นที่รองรับน้ําของพุทธองค์ในครั้งที่พระงศมบําเพ็ญเป็นที่รองรับน้ําแห่งบุญกุศลแห่งบุญบรารมีทั้งหลายน้ําที่พระองค์เคยสมบําเพ็นก็ผุดขึ้นมาท่วมทับกองทับพญามานกองทับพญามานก็ถึงความไพ่แพ้ไปด้วยน้ําที่เป็นพุทธบรารมีนี้ ไม่ได้เป็นสั ญ, ญลักษณ์หรือเครื่องหมายของการอุทิสุกุศลแต่ประการใดเพราะฉะนั้นไอ้นามธรณีที่เขาเขียนขึ้นมันมันเป็นการแปลงสารน่ะคล้ายๆกับว่าบิดเบือน่ะหลักห ล, ลักข้อมูลจริงที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกอาตมาสามารถฟ้องคนที่เขียนเรื่องนี้ขึ้นมาได้ น, นถือว่าทำลายหลักคำสอนแท้ที่อยู่ในพระไตรปิฎกของพุทธศาสนา ใครก็ตามที่พิมพ์เรื่องนี้เขียนเรื่องนี้ขึ้นมาอัตมาสามารถฟ้องได้แต่ตามหลักพระวินยัยพระไม่สามารถฟ้องใครได้ต้องให้โยมเป็นผู้ฟ้องฟ้องยังไงไงพ้อมว่าบิดเบือนเอกสารที่แท้จริงอยู่ในหลักคําสอนแปลเปลี่ยนแปลเปลี่ยนเอกสารใหม่ให้เป็นความเข้าใจใหม่ของคนยุคหลังทาให้เขาเข้าใจผิดเป็นตำหรักตาราเขียนกันขึ้นมาโดยไม่ได้สนใจความถูกความผิดในหลักคําสอน ทำให้คนยุคใหม่เรียนรู้คำสอนผิดๆยึดถือเอานางทรณีว่าเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ทธเจ้าจนปั้นนั่งปั้นรูปนางทรณีขึ้นมาให้คนสักาการะกราบไหว้ ย, ยกขึ้นเป็นเทียบเท่ากับพุทธองค์ในบางครั้งว่าถ้าไม่มีนางทรณีช่วยผู้ทีเจ้าในเวลานั้น อ, องค์ก็คงจะไม่ชนะมารโอ้ยผู้สิจนผู้ทเจ้าจนต่อขนานั้น<ล>ผู้เสนพระเจ้าชายศิษฐาไม่มีอะไรดีสั ก, สสกอย่างเลยนะ อะไรเขียนมาได้ยังไงเนี่ยนู่นจริงจริงจริงคนที่เป็นคนที่สํานึกรับผิดชอบในความเป็นพุทธศาสนาที่ถูกต้องควรจะฟ้องพวกนั้น่ะให้หยุดการเผยแพร่หยุดการสร้างในสิ่งที่มันบิดเบือนจากหลักคาสอนให้ได้หากจะรักษาพุทธศาสนาจริงต้องทําอย่างนั้นอันนี้ปล่อยให้มีการเผยแพร่กันไปก็ยึดถือผิดผเลื่อมใสผิดผิดศรัทธาผิดผิด แล้วก็มีการนำไปพูดต่อๆกันในในสถานในในัในี้ก็ไม่ได้ว่าร้ายให้ใครเนาะยังกับมงคลเอาไปสออรูปหลานลอย่างนี้ว่าอย่างับวัดบางที่ก็นำสิ่งที่เป็นสื่อมาเอามาเผยแพร่ให้กับคนที่มาสื่อสารธรรมะให้เห็นภาพนั้นเป็นการรับได้รับจากที่นี่ก็เป็นความจริงก็เลยเป็นการปลุกสังที่พิดเขียนมานี่แหละ คือปัญหาอนนของคุอศาสาเราเป็นกลุ่มที่ออกไปเป็นมุกว่างใช่ต่อไปก็ยึดถือเป็นประวัติศาสตร์เลยว่านางธรณีช่วยพระพุทธเจ้าอาตมาก็เชื่อมาอย่างนั้นตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเชื่อมาอย่างนั้นก็ภาพอยู่ในศาลาภาพอยู่ในโบสถ์ภาจิตกรรฝาผนังก็เขียนรูปนางทรณีมาบีบมวยผมหน้าพระพุทธเจ้าอยู่ต้นน่ เพียงแตมาอ้าวแล้วที่เขาช่วยพู้ได้เจ้าก็บอกไม่ได้ช่วยนางทรณีที่ไหนจะมาช่วยล่ะผู้เจ้าบอกว่าพระองค์อยู่โดยลําพังแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องทําให้เราได้เข้าใจหลักของการดําเนินชีวิตด้วยว่าเวลาเราประสบปัญหาที่แท้จริงนั้นไม่มีใครช่วยเราได้หรอกจริงๆจับไม่เลยไม่มีใครช่วยเราได้และอย่าหวังว่าจะให้คนอื่นมาช่วยไม่มีทางเราต้องรับบท เราจะต้องระลึกถึงความดีของเราให้มากๆคือความดีหาอะไรเป็นพยานไม่ได้ก็เอาแผ่นดินนี่แหละมันต้องรับทราบความดีเราบ้างวะอากาศหรือลมหรือไฟที่ไหนที่เราเคยทําความดีไว้จงช่วยช่วยทําให้ข้าพเจ้าพ้นจากสิ่งที่เป็นภัยอันตรายหรืออะไรที่มันไม่ดีกับเราอย่างเงี้ยนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องเผชิญสิ่งเหล่านั้นโดยลาําพังแต่ต้องเผชิญด้วยความดี ที่เราเคยทําถึงจะถูกต้อง น, น, นี่มันได้คติถ้าพูดอย่างงี้ได้คติแต่ถ้าบอกว่านางทรณีมาช่วยไม่มีคติทําใดๆเลยก็เลยกลายเป็นการพึ่งพาขอความช่วยเหลือจากสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยคือนิสัยเสียของคนไทยพุนนทธคนไทยพุนนทธนะก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละนี่แหละคือความอ่อนแอทางสังคมและทางศาสนาที่เป็นอยู่ยแต่ทําไมไม่มีใครมอง มองถึงความอ่อนแอในจุดนี้แล้วก็ต้องต้องได้รับการแก้ไขแต่ทำไมเห็นส่งเสริมช่วยเหลือเผยแพร่นิยมกันดีจังนี่แหละคือเหตุที่อาจารย์ต้องเป็น น, นาครับเอาอีกแล้ว <laughs> <laughs> เป็นผู้ชี้ขาดเป็นผูน้นำครับที่จะต่อสู้กับตรงนี้ไม่ได้ให้มาผูกขาดอยู่ก็ทำมาไม่ได้ก็พวกเรานั่นแหละ แตมาทาอะไรไม่ได้แตมาได้แค่บอกแค่สอนจะเป็นนาใครไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นอะไรนําขบวนนาอะไร <jer ky> อีกอะเรื่ อ, <c oughs> อ, องต <c oughs> อนออนี้ตอนนี้เยอะครับเยอะเริ่มวเริ่มรวมคนกันเยอะมากขึ้นแล้วครับกำลังรวมบนตาเสื้อกันอ ระหว่างความความเห็นผิดที่มันทุบครอบคุมแล้วเกิดแฝ้ไปด้วยระยะเวลาที่ยาวนานมันก็เลยแผ่ไปเกิดจะทุกอนุลามในตามประเทศด้วยในการที่จะแก้ไขตรงนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรแต่เรงล็กๆที่พระอาจารย์แล้ว ใหญ่มากมันไม่มีท่าทีที่จะเป็นไปได้สักเท่าไหร่แต่อย่างน้อยๆจุดเล็กๆจากท่านอาจารย์มาก็าถือว่าเป็นทางสว่างก็ขอให้ขอให้ถือว่าเป็นการหว่านมาเมล็ดพันธุ์พืชในยุคนี้เพื่อให้เติบโตในร้อยปีข้างหน้าก็ว่าไปอย่างน้อยก็เริ่มจากจุ ด, ดที่พวกเราได้ร่วมกันทํานี้อย่างน้อยก็ได้จุดประกายนะจุดประกายมันจะเติบโตไปในภายภาคหน้าอีกเท่าไหร่นั้นเราก็คํานวณไม่ได้ใช่ไหมล่ะก็ถือให้เป็นเรื่อง เรื่องของบุญกุศลที่จะนำไปปีที่สามพันถึงจะค่อยๆเริ่มเติบโ ต, ตขึ้นมาเรื่อยๆใหม่ไม่มถึงนะยูมถึงก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยอีกสิบยี่สปีข้างหน้าตายก็ไปเกิดใหม่ก็ได้ขอเกิดถึงในยุคยุคปีสามพันว่าอย่างเนี้ย ยังเกินอีกหลายรอบอยู่ก็อย่งปีสามพปีที่สามพันี่ยสองพันห้าแล้วอีกกี่ปีอีกห้ารอยกว่าปีอีกยกว่าปีเนี่อีกสี่้รอบอยู่หรอบอยู่ะจะทอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อวานะอะไรตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ให้บรรลุโดยฉับพลันแล้วใช่ไม่มาแล้วไม่้วไม่มาแล้วไม่มาแล้วหมายถึงว่าบรรลุในชาตินี้ โดยฉพันธ์งั้นก็ต้องไปตั้งใหม่ต้องตั้งบอกว่าบุญกุศลใดที่จะเป็นไปในภายภาคหน้าอีกยืดยาวนานที่จะตอบสนองผลให้กับข้าพเจ้าในภพชาติข้าพเจ้าไม่ปรารถนาในบุญกุศลที่จะเป็นไปในภพชาติในเบื้องหน้านั้นขอให้บุญเหล่านั้นจงกลับมาตอบสนองในปัจจุบันชาตินี้ให้ข้าพเจ้าเข้าถึงความหลุดพ้นสิ้นทุกขโดยฉพันธ์เพราะอันที่จะสืบไปขณะเราไม่เอาไม่พอใจที่จะยินดีในการเกิอดอีกแล้วนะ เอามาใช้อเออบุญนั้เป็นของเราเป็นสิทธิที่เราจะต้องสั่งการได้แต่การส่งผลเป็นเรื่องของระบบระบบที่มันจะส่งแต่เราไม่เอาอันนั้นเมื่อมันเราไม่ปรารถนาที่จะเอาอันนั้นมันต้องมาให้ในตอนนี้สิส<ถา>เงินเรานะในธนาคารเราไม่ต้องการใช้ในอนาคตเราจะใช้ตอนนี้เราก็เบิกไมาใช่ น, นะพูดง่<ถ>ายๆเดีวพอดีเร<ถ>าเอ<ถ>าเงินอนาคตมาใช้แล้วไม่ใช่ว่าคาดหวังอยู่ว่าเอยชาติหน้ายั ง, ยง ยังจะได้ดีเพราะทําบุญชนิดนี้อย่างเงี้ยถ้าคาดหวังยังมีใจอยากจะได้อยู่ในชาติหน้าอยู่ในการทําบุญในแต่ละครั้งอันนั้นก็ยังไม่สําเร็จหมายถึงว่าตัดคือตัดอย่างแน่วแน่เลยนะหมายถึงว่าชาติหน้าไม่มีบุญให้ให้ได้ใช้อีกแล้วนะขอเอามาใช้ในชาตินี้หนุนจิตให้ถึงนิพพานอย่างเดียวเออจ่อจิตจ่อจ้างตั้งจิตจอดจออย่างเดียวว่าบุญในชาติหน้าแม้แต่นิดนึิงก็อย่าให้มีจะเอามาใช้เฉพาะในชาตินี้ อะไรที่จะตอบสนองก็ตอบสนองกันมาอะไรที่จะให้ผลก็ให้ผลกันมาในเวลานี้ชาติหน้าไม่เอาอีกแต่ถ้ามันเนื้เอเอาที่นั่นเห็นไหมมีคนใจถึง <c oughs> นั่ น, นตามมาว่ามันไม่หนีไปไหนหรอกของพล <c oughs> นั่นหมายถึงว่าเอาข้างหน้าไม่เคย ไม่ได้ก็ตามแต่มันได้อยู่แล้ว<ต>เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่ามันได้อยู่แล้วที่มันจะสมผลไปในภพหน้าแต่เราไม่เอาไงไม่เอาเราขอให้มาใช้ในชาตินี้เลยเออเจอกับโอดีใช้กหน้าเลยใช้กันนี้แต่ถ้าโอดีหมดกันน้นเหนื่อยนะหมดถ้ามันพ้นก็ไม่น่ามีปัญหาเนาะ ให้เงินไขคนที่ไม่รู้ว่าจะพ้นหรือเปล่าถ้าไม่พ้นขึ้นมาก็ต้องดูองค์ประกอบห้าประการให้ครบถ้วนหนึ่งเชื่อปัญญาการตรัสรู้จริงของสมมาสัมพุทธเจ้าสองร่างกายสุขภาพดีสามเป็นผู้ไม่โอ้อวดสเป็นผู้ปรลุกความเพียรหเป็นผู้มีปัญญาอ่นเห็นความเกิดความดับหากครบห้าประการนี้อธิษฐานใช้ได้เลยแน่นอนว่าไม่เกินเจดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปี แน่นอนเจปีก็สบายสบายเนาะอยู okay? or, ่คนเดียวเนาะดีมากมันเบาใจหมดทุกอย่างเลย เงินไม่เคยมาหเป็นยังไงก็ไปด้วยกัน้การก็เต็มมากคจะมาเอหัวอ้ออะไวันไหนกูกลับมาอากไปมาแล้วกัเนี่ยท่มาได้หัวก็เอยู่คนเดียวม่รู้สึกว่าจะทอะไรก็ได้เป็นยังไงมาแล้วมาแล้วก็สบายใจก็สบายใจอยู่นะวันนี้ติดอิสระอิสระของอยู่คนเดียวที่อยู่คนเดียวมาหลายปีแล้ววัีว่าจะเิ พอดีมากเลยมาม า, มาช่วยแม่ลอย <c oughs> อาตมาก็ช่างเย็บผ้ามาก่อนเนี่ <c oughs> แต่ <c oughs> ดีไซน์ยินทำยินยินดีไซน์สชไมก่อนพี่ใจยมาพี่อกรรพี่บอกก็าเยนพี่ใจก็เย็บ คนเย็บของนําเทเลอร์อืมทเอยู่หลายปีแล้วจ็ดแปล่ะเป็นเ้งหวังนําเทเลอร์เขาอยู่หน้าบ้านมีอยู่หลังบ้านแ่ยบนี้แะคะ่นไปไหนไไปทุตเสีนอ่ะยังวุ้นดำนั่นเด็กไม่ต้อรอะไรหมจะสูนาอะไร ต่ออีกนี่ดึงเข้าหาสารธรรมหน่อยไม่จ้างครับผมมาคิดคำนวณแล้วถ้าผมคิดแบบนี้ถูกไหครับเรื่องมงคนที่หนึ่งนะครับผมยังไงเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าผมมีโอกาสได้เจอใครที่สูงกว่าผมธรรมะ ส, สูงกว่าผมเนะ่ยถ้าผมจะไปคบคนนั้นก็ต้องมีต้องไปคบในเจตนาที่ว่าจะไม่ใช่ดึงเขาลงมาแต่ต้องการที่จะให้เขาเนพาเราขึ้นไปอ้าก็แน่นอนอยู่แล้วเราครบคนที่สูงกว่าก็เพื่อที่จะดึงเราไปสู่ที่สูงครับ ส่วนคนที่ตา ม, ม่าเราถ้าเกิดเขาเข้ามาสูญเสียเราเราก็ไม่ปฏิเสธเขาแต่เราต้องมีเจตนาว่จาจะดึงเขาออกดึงเขาขึ้นมามจากสิ่งที่เขาจงอยู่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดึงอย่าเพิ่งดึงคือเปิดโอกาสให้เขามาค บ, คบแต่อย่าเพิ่งดึงเขาให้เขาเรียนรู้สิ่งที่ดีๆจากเราเองเขาจะดีต้องดีด้วยตัวของเขาเองไม่ใช่เราคอไปบอกคือคนที่ตามกว่านี้อย่าเพิ่งไปดึง บัวที่อยู่ใต้น้ําที่โคนตมดึงมากเกินไปมันจะขาดนะปล่อยให้เขาเติบโตขึ้นมาตามวันเวลาการที่เขามาคบเราแสดงว่าเขาก็หวังความจเจริญในตัวเขาเมื่อเขาวังความจเจริญในตัวเขาแล้วเขาจะศึกษาความดีในตัวเราแต่ละอย่างแต่ละอย่างเขาไปปรับเปลี่ยนตัวเขาเมื่อเขาเติบโตมาได้ระดับหนึ่งในความที่ธรรมะที่จะพัฒนาไปด้วยกันได้อันนั้น่ะดึงด้วยกันได้ไปได้ แต่ถ้าเกิดว่าแตบบ่มันก็ต้องมีตัวกันใช่ไหมครับว่าจะ ต, ต้องไม่ใช่สนิทสนมแบบว่ า, าไปไหนไปด้วยกันสนุกสนานด้วยกันคืออย่างเช่นคนที่ต่างกันเช่นคนสมมตินคนหนึ่งมันก็ต้องมีอ่ะถ้าคบกันคนหนึ่งถือศีลห้าได้ครับอีกคนหนไม่มีศีลแล้วก็ไอ้คนไม่มีศีลก็รู้สึกว่าถูกโฉลกกับเราเนี่ยครับแล้วพยายามแบบให้เราไปอยู่ในแกลงเขาซึ่งคนที่เขามีศีลเขาก็ต้องไม่อยากเข้าไปอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วครับไม่ได้เราเราคบกับมัน ไม่ได้เพื่อให้มันดึงเราไปอยู่ในแก๊งแต่เราพบกับมันเพื่อเราต้องการจะดึงมันมาอยู่ในแก๊งเราไใช่มันดึงเราไปอยู่ในแก๊งมันแสดงว่าเราก็ต้องมีตัวกั้นถึงแม้ว่าที่บ้านกันเราจะเราอย่าเพิ่งคิดจะไปดึงเขาเปล่าใช่ต้องมีแค่สีอท่าเลยครับอ๋อครับเขาเห็นว่าเราดีแล้วเขาคบเราเขาจะเดินตามเราเองและหากเรามีความมั่นคงในความดีที่เราทําเขาจะเดินตามเราได้อย่างดีด้วย แต่ถ้าเราเห็นเรางอนเงี่ยนคอนแคลนไอ้เดี๋ยวก็รักษาสินได้เดี๋ยวก็รักษาสินไม่ได้ไอ้ยังไงคนนี้เดี๋ยวก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันนั่นแหละแต่ดูดูแล้วเจตนาเขาไม่ได้ต้องการที่จะที่จะเจริญขึ้นแค่ต้องการว่าจะหาเพื่อนคุยหรือสนิทสนมไปทางอื่นเราก็ไม่ไปคุก ค, คีกับเขาเป็นการดีที่สุดใช่แล้วเดินทางมาตาและนี้เื่ออาจจะ เป็นคำถามที่อาจจะเคยเกิดขึ้นทีนี้คือกวความสบายใจของคนเข้าคนแก่แล้วก็คนที่เขายึดถือในการปวดน้ํามาเป็นชีวิตคิตใจเลยว่าทำบุญทุกครั้งต้องปวดน้ําถ้าไม่ปวดบุมไม่ถึงไม่ได้รับบุญนั่นนี่หลายๆอย่างอยากให้นากจารย์ที่แถลงไขในความจะปฏิบัติยังไงว่าหนึ่งคือคนคนนั้นเขาจะได้ไม่มีการวิตกว่าที่ทำบุญแล้วคุณจะทํำยังไงแล้ว สร้างคางแล้วควรจะกวนน้ําแบบไหนควรจะปฏิบอย่างไรให้มันไปในทิศทางแนวทางที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมวิธีการอุทิศกุศลที่ถูกต้องผู้ทรงก็ทรงสอนไว้แล้วเป็นคําสอนที่พร่ำสอนเรามาโดยตลอดแล้วก็เราก็ได้ยินมาโดยตลอดแต่เราก็ไม่เข้าใจในบทที่ พระรองค์ทรงตัดไว้ว่ายะถาวลิวาหาปุลาปริปุเรนติสาขังเอวเมวอิโตดินนางเปตานางอุปกปติเคยได้ยินกันใช่ไหมบทบทนี้เป็นบทสอนวิธีการอุทิศสุขุศลโดยไม่ต้องกวดน้ำแต่ทำไมเราต้องกรวดน้ำล่ะเมื่อพระขึ้นบทนี้ปั๊บก็เตรียมน้ำเลยเอามาต่อแขนกันเร็วๆมาต่อแขนกันเตรียมน้ำมไะ าาาา ก, ก็ น, นั่นแหละยะฐานี่มันแปลว่าอะไรรู้ไหมเรารู้ไหมว่าคำคำนี้พระพุทธเจ้าบอกให้พระมาบอกโยมมาสอนโยมต่อทำไมเวลาเราไปทำบุญพระจะต้องสวดบทยะถ า, าทุกครั้งสวดบทอื่นไม่ได้เหรอฮะคุณแม่แไปพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำอะไร รู้ไหมพระพุทธเจ้าในบทนี้ได้บอกไม่ว่าให้เราได้กรวดน้ํำบทนี้แปลว่าอะไรมีความหมายว่ายังไงพระองค์ทรงเปรียบเทียบเนี่ยเห็นไม่ไม่รู้เราไม่ต้องดวนใช่ไหมก็ก็เราไม่รู้เลยว่าบทบทนี้สอนให้เราทําอะไรแล้วเราไปกลัวดทาไมนะพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบการให้ทานหรือการทําบุญนี่พระองค์เปรียบว่า ยัตาบริวาหาปุราปริภุเรติสาครังหมายถึงว่าห่วงน้ําที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้เต็มเปี่ยมได้ฉันใดคือการถวายทานของเราเนี่ยเรามีของทานที่จะให้พวกเรามบอกว่าจิตที่คิดจะให้เปรียบประดุดดังห่วงน้ําที่เต็มคือเรามีความเต็มใจที่จะให้ห่วงน้ํานี้ไม่ใช้ไม่ใช้ในห้วยหนองคลองบึงห่วงนี้เขาใช้ในห่วงทะเลมหาสมุทรยิ่งใหญ่ขนาดนั้นจิตของผู้ให้ประดุดดังทะเลมหาสมุทรห่วงน้ํา ่หญย่อมยังสมุรสาครให้เต็มเปี่ยมเราเต็มใจที่จะให้ภิกษุประดุดดังมหาสมุทรหนึ่งที่ได้รับผลของทานจากเราน้ําจิตน้ําใจที่เราปราิธนาจะให้โดยการสละวัตถุทานนี้ออกมาน้ํานั้นก็ไหลมาสู่ห้องน้ํามหาสมุทรแห่งบุคคลผู้ประพฤติทธรรมนั่นหมายถึงว่าภิกษุจะประพฤติทธรรมให้สําเร็จหรือเข้าถึงการบําเพ็ญสมณธรรมอันสูงสุดได้จะต้องอาศัย ห่วงน้ำคือจิตใจที่ให้ทานของชาวบ้านเนี่ยพระถึงจะเข้าถึงความบริบูรณ์แห่งสมณธรรมด้วยสําเร็จเป็นมหาสมุติที่เต็มเปี่ยมได้พวงเปรียบเทียบอย่างนั้น น, นี่นี่นี่คือคือความหมาย <c oughs> ทีนี้ผม ก, ก็ทรงตัดบทที่สองท่อนที่สองว่าเอวเมวอิโตดินนางเปตานางอุปก ป, ปติทานที่ท่านได้อุทิศย่อมสําเร็จแก่พุทิลโลกนี้ไปแล้วฉันนั้น คำว่าอุปกปติมันเป็นคํากํากับตายตัวอยู่แล้วในบททวนนี้ว่าเป็นผลสําเร็จนั่นหมายถึงว่ามันไม่สําเร็จด้วยวิธีการกวดน้ําแต่สําเร็จด้วยว่าทานที่ท่านได้อุทิศอุปกปติย่อมส e ําเร็จเอวะเมวะอิโตดินังคําว่าทานที่ท่านได้อุทิศนี้หมายถึงว่าทานแปลว่าการให้ทานนี้ยังเป็นภาษาบาลีอยู่นะแต่มาแปลเป็นภาษาไทายว่าการให้ทานที่ท่านได้อุทิศหมายถึงว่าให้แล้วอุทิศพร้อมขณะที่ให้ อุปกรปฏิย่อมสําเร็จเปตานางแก่เปตชนผู้ล่วงละปต้องปวดน้าไห้หล่ะที่นี่เพราะมันสําเร็จด้วยการให้แล้วอุทิศใช่คือว่าเดี๋ยวคือคนธรรมดาคนตัวใบคนแก่นะเขาจะต้องเอ่ยชื่อให้คนตายก็ไม่เห็นเป็นไรเลยสมมุติไม่ใช่สมมุติว่าพ่ออาตมาตายอาตมาให้ทางไปอาตมาก็บอกว่า บุญนี้จงสำเร็จแก่นายสุนทรบุญยืนผู้เป็นพ่อของข้าพเจ้าก็ออกชื่ออย่างนี้จะเป็นอะไรไปก็ไม่ได้ผิดเพราะให้แล้วอุทิศแล้วบอกชื่อออกไปตามนั้นถูกต้องใช่ในบทที่เรานิยมใช้ก่าวว่าอิทังเมยตาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยก็หมายถึงว่าขอบุญนี้จงสาเร็จแก่ญาติของข้าพเจ้าคือเวลาที่ให้ให้ทานปั๊บ ขอบุญนี้จงสาเร็จแก่ญาติของข้าพเจ้าใครก็ตามที่เป็นญาติจะได้รับบุญนั้นแต่หากเรารู้จักชื่อว่าเป็นไทยเราก็บอกว่าบุญนี้จงสําเร็จแก่นายนั้นนาง น, น, น, นี้นามสกุลนี้บอกไปเลยขณะที่ถวายทานแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นก็คิดอุทิศในแต่ละอันแต่ละอันจนกว่าจะถวายทานเสร็จไม่ต้องกรวดน้ำอุปกรปฏิสําเร็จแน่นอนเปตานางแก่ผู้ธิศละชีวิตไปแล้ว สำเร็จแบบไห น, นรู้ไหมอิชีตังปฏิตังตุมหังคิบ ป, ประเมววะสมิชัตุสิ่งที่เราคิดคิดอุทิตน่ะอิชีตังคือความปราฎถนาที่เราต้องการปราฎถนาจะให้ผู้นั้นได้รับบุญเนี่ยอิชีตังปฏิตังตุมหังคิบ ป, ประเมคือจะสําเร็จโดยฉับพันคําว่าฉับพันคือให้ปั๊บอุทิตพร้อมก็สำเร็จปั๊บทันทีคือเขาได้รับทันทีเลยไม่ต้องไปผ่านแม่ธรณีเราเราก็มีเพิ่ เขาอาคำสวดเนี่ยมันเป็นตัวปิดกั้นว่าสัพนัยฐานให้ผีสัพพีให้คนเลยก็ถูกใช่ไหมครับญาถาเป็นบทกล่าวสอนอุทิศสุขสนให้กับเราผู้ที่ละชีวิตไปก็พวกผีนั่นเนี่ก็ถูกสัพพีนี้คือให้คนหมายถึงว่าพอเขาได้ทำบุญอุทิศสุขสนให้กับญาติที่ล่วงละไปหรือให้พวกเราผีแล้วเ้าก็อํานวยเขาเรียกวยพรน่ะสัพพีติโยวิวัติชนตุขอให้ความจัญไรทั้งหลายจงพินาศไป ในบุญที่เราทํานี้ก็เลยเกิดเป็นอ่าคําถามขึ้นมากับคนบางคนว่าถ้าเกิดจบบทญาติฐานแล้วเนี่ยต้องยึดอยู่ให้คนตายแล้วก็มารับพรให้กับคนเป็นคือเขาจะคิดกันอย่างนี้มาที่เขาเคยคุยกันกับคนคนตโตๆที่บ้านนะเขาพูดกันอย่างนี้นะครับบอชาีบีแล้วก็ให้ตัวเราคือหมายถึงว่ากำลังคิดอยู่เนี่ยบงโนโผลให้เยอะแบบเลยแลยัญาติฐานจบแต่ยังไม่พออย่างบไปต่อให้แบบว่า พ อ, พอขึ้นสัปเหร่แล้ต้องหยุดนะ เ, นเดี๋ยวมันจะอะไรกันวันนี้คือมันก็เป็นการถือผิดถือผิดกันเทั้งนั้นแหละพระพุทธเจ้าบอกว่าทําบุญทําการทําบุญนั่นคือพร อ, อันประเสริฐที่สุดแล้วไม่ต้องไปรอรับพรจากใครเพราะพร น, นั้นเป็นผลสําเร็จแล้วในขณะที่ทําพรคือความดีความประเสริฐความดีคือการทําบุญอุทิศสุกสนหรือการให้ทานแม้ไม่อุทิศก็ตามก็เป็นพร อ, อันประเสริฐและสําเร็จผลในตัวของความดีเป็นพรอยู่แล้ว เมื่อมันมีความสาเร็จเป็นพรแล้วไปขอพอรทำไ ม, มพรไม่ได้เกิดจากการขอพอรไม่ได้เกิดจากการที่คนอื่นให้แล้วได้รับสัพพิติโยวิวัตชนตุสัพวโลโค ว, วินาสตุขอให้โลกจงพินาศไปก็เห็นป่วยกันอยู่ทุกคนยังไงม่เห็นพินาศไปสักคนเลย ม, <laughs> มาเตภวะบันตรายโยสุขีทีคายูโกภาะขอให้มีความสุขยืดยาวนาน ทำบุญได้เยอะก็เห็นบทกันเป็นทุกๆกันอยู่อภิวาดาศีลิสนิจังวุฒาปัญญโนบุคคลผู้มีปกติกราบไหว้อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เป็นนิดย่ำเจริญด้วยอายุวณาสุขาพละอันนี้เป็นหลักคําสอนสอนว่าคนที่จะอายุยืนนานผิวพรรณผ่องใสสุขกายสบายใจมีกําลังวังชาสมบูรณ์แข็งแรงคือบุคคลผู้ได้กราบไหว้อ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลผู้เจริญเป็นนิดกราบไหว้ใครบิดามันดาปุยาตายาย น้องไหว้พี่เนี่ยไหว้ลูกหลานไหว้ลุงป้าน้าอาคนฐานะเป็นลูกน้องก็ไหว้ผู้เป็นเจ้านายไหไว้ครูบาอาจารย์เนี่ยเรียกว่าไหว้ผู้เจริญอยู่เป็นนิดเป็นนิดคือบ่อยๆจะได้รับอานิสงส์นี้อายุวรนนาสุขภพระไม่ใช่ว่าพระมาสวดอย่างนี้แล้วเราก็อายุวันโนสุ ข, ขงังพระรังก์กษัตทูได้รับพรเนี่ย ยังไม่ไปไหว้อันที่ควรแก่การไหว้เลยจะเป็นรับได้ยังไงพรพรนี้จะสำเร็จโดยการอภิวาทบุคคลผู้มีปกติถึงความจเจริญอยู่เป็นนิดนี่มันถึงจะสําเร็จใครเข้าใจมแม่เข้าใจไหล่ะคุณแม่คุณยายเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเป็นครใช่หอ ่เยาจริงๆวดนกี้โอ้โหดังนูนไปวัดตน้วถามว่าเอาเรากวดน้ำมันจะผิดอะไรล่ะก็แค่กวดน้ำแมถ้าอุทิสุดกุศไม่ได้ก็ไม่เห็นมันจะผิดอะไรเขาว่าอย่างเงี้ยทำไมจะไม่ผิดการยึดถือตามกันแบบผิดๆอย่างนี้ ด้วยความเข้าใจว่าการกลัวน้ําคือการอุทิสกุศลนี่คือมิจฉาทิฐิอย่างหนึ่งมิจฉาทิฏฐิย่อมนําไปสู่กระมือสัตว์เดรฉานเป็นอย่างต่ำํำชอบน้ําเหรอกวดน้ําไปเกิดเป็นปลาชอบลดน้ำมนตก็ไปเกิดเป็นปลาชอบน้ําพที่ชอบน้ําตายไปปั๊บจะเห็นไข่ปลาในท้องแม่ปลา เป็นวิมานอันสวยสดงดงามเขาเาก็จะมีคนมาบอกว่านู้นวิมานของท่านขอเชิญท่านเข้าสู่วิมานเถิดเราก็เข้าไปสู่วิมานแบบสบายใจเลยโอ้โหมีวิมานสวยงามหลับลงตื่นขึ้นมาอยู่ในไข่ปลาแล้วเอาอย่างนั้นบอกก็เลยไม่แปลกว่าคนทํางินเยอะอาจจะเกิดเป็นเป็ดก็ได้หรือเกิดเป็นใช่เพราะว่าในความที่ว่า เป็นมิจฉาทิฐิทําไม่ถูกบุญที่แท้จริงทัทั้งที่คนคนนั้นคิดว่าเขาทำบุญมาทั้งชีวิตเลยแต่สุดท้ายแล้วทำไมบุญตรงนั้นไม่สมกันก็คือเกิดจากสาเหตุนี้ก็จะเป็นทํานองนั้นน่า ก, กลัวความละเอียดยนี้ <c oughs> ก็น่ากลัวไงวัตตนนี้มันน่ากลัวพระุทธเจ้าจึงสอนหลักการไว้แต่เราทําไม่ถูกให้หลักไม่ถูกให้ตามหลักการที่พวงชงสอนไว้นี่แหละคืออันตรายเรามีภาษาธดาผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิก บ, บานที่ได้สอนสิ่งที่ถูกต้องไว้ดีแล้ว สวาขาตธรรมสวาขาโตัวพระกบาธรรมโอทของพระองค์ทรงตัดไว้ชอบแล้วดีแล้วถูกต้องแล้วแต่ไม่ทําให้ถูกต้องตามหลักคําสอนนี้มันเป็นยังไงทีนี้นี่คือคือคือความเดือดร้อนได้เกิดขึ้นกับศาสนาอยู่ทุกวันนี้กับบุคคลผู้นับถือศาสนาอยู่ทุกวันนี้แต่ก็ไม่ยอมรับความเดือดร้อนว่ามันเป็นความเดือดร้อนมาจากการประพฤติผิดในหลักคาสอนไม่ยอมประพฤติให้มันถูกต้องมันก็เลยเกิดอย่างนี้ขึ้น หมดความสงสัยแล้วใสัยังไม่หมดช่ต้องมาอีกใช่ไหเพราะว่าอย่าเพิ่งหมดใจ้องมาอีกท่านที่เวลาไปทำบุญอ่ะคนเมืองอ่ะคนเชียงใหม่อ่ะนะเขาบอกว่าพอพอพระจะกลับเขาต้องลาพระเจ้าแล้วก็ว่ายังบินจีแล้วเาก็ต้องเอานาำทอกรองนะฮึมับ กนะก็นี่แล้วอาตมาก็เคยบอกอยู่ประเภทการกวดน้ําหรือใช้น้ําเป็นสัญลักษณ์อะไรก็ตามเนี่ยอาตมาเคยไปในงานศพงานศพหนึ่งนะในงานศพของคนจีนนี่ยหละเขาจะเอาน้ามาเป็นแผลเป็นแผลเป็นแผลเอาไว้ตอนกวดน้ําอุทิศกุศลตอนที่ผ่าส่วนญาหาญาตาน้ารนนะึง หรื อ, อยัดฐ า, านอีกรอบหนึ่งยัดฐานไม่ไม่ใช่รอบเดียวหรอกหลายรอบอยู่ในวันนั้นอ่ะหลายรอ บ, ลรอบแล้วต่อมาถามว่าน้ําขวดเนี่ยขวดละกี่บาทเจ็ดบาทเบาทสมมุติว่าคนไทยสิบล้านคนคนไทยไมีเท่าไหร่เจ็ดสิบล้านใช่ไหมเอาแค่สิบล้านนี้นะทําบุญงานศพในวันเดียวกันสิบล้านคนแล้วก็ใช้น้ำเนี่ยสิบล้านขวดเป็นเท่าไหร่เจ็ดสิบล้านบาทที่เททิ้งเฉย มูลค่าความเสียหายทางด้านทรัพยากรเงินที่เททิ้งหน้านที่เททิ้งเปล่าๆเนี่ยสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจไปเท่าไหร่เจ็ดสิบล้านบาทแล้วไม่ใ ช, ไใช่ไม่ใช่แค่เจ็ไม่ใช่แค่สิบล้านคนนะเจ็ดิบล้านคนเจบสล้านนะ อ, อ, อันนี้แค่เทียบเทียบแค่สิบนะจะไปทำํำทำไมก็ถอดปาดนี้แล้วไม่ได้ให้ไปทํานะนี่ ให้เลิกนะคนคนยุคหลังมาก็จะยึดถือถูงเอาอันเจ็ดสิบล้านคนไปซื้อเครื่องช่วยหายใจให้ผู้ป่วยยังจะมีประโยชน์กว่ามาเทน้ำทิ้งเนี่ยคือผมแปลกใจผมไปวัดกับแม่ผมแล้วก็จะย่าทำไว้เดียวกันน่ะตักก้าวัพลังน้ำดูไปษามี่ปวดเป็นทีเป็ไม่รู้ไปกี่วัดก็เป็นขาวัดแล้วจะาี่นั่นจะมาที่นั่จะจิ้เกลมน้า นั่นบาแล้วไงนี่แหละทำให้ตามาได้พูดเรื่องนี้ทางเชียงใหม่ยะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นมาแต่ละทีนี่แต่ละคนมีพกมาด้วยท้งนั้นเนพกมาจากเชียงใหม่นู่นเคยยันไม่ได้ตายแล้วคือไม่มีเนี่ยจำเป็งทำภาพกางไม่มีอืมตอนนัานทกบ้านเลยก็เนี่เป็นติดกลรมเนาะก็มาอยู่ เชียงใหม่อุ้ยทีเขาอย่างนี้เลยจะลำคาบต่อไปต่อไปก็มาอยู่เชียงรายนี่แหละที่นี่มาอยู่เพื่อนแม่รลอยนี่มาอยู่กับแม่รลอยนี่วิธีกรรมเยอะกรรมมิกกุกวิธีเยอะทำบุญชาวหล้าระเจ้าวหล้า จะมรับการเครียดวนนั้นไปชมมึงเข้าภาาพอหังเลยอหลังเคียดเลมเลเคียเนี่ยหลักปฏิบัติกิจในทางศาสนาเราไม่ได้รับการแก้ไขมาเป็นระยะเวลายาวนานนอกจากจะไม่แก้ไขแล้วยังปลูกฝังต่อคนรุ่นหลังให้ยึดถือปฏิบัติตามแม้มันเป็นสิ่งที่ผิดทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะคนในสังคมเราไม่ได้เข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองทานั้นเป็นสิ่งที่ผิด แล้วทำไมเราไม่มีคนรู้ถึงขั้นที่เรียกว่าอะไรถูกอะไรผิดในศาสนาของเราเลยหรือเราไม่สามารถแยกข้อเท็จข้อจริงในศาสนาเราออกเลยหรือแล้วคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนที่สําคัญทางด้านความรู้ในทางพุทศาสนาไม่ได้รู้เรื่องสิ่งเหล่านี้จริงเลยหรือว่ารู้แต่ไม่ยอมบอกยอมสอนหรื อ, อยังไงมันคืออะไรหาไม่ยอมบอกไม่ยอมสอนไม่ยอมชี้แจงไม่ยอมแก้ไขก็เท่ากับปกปิดข้อมูลขอ ง, ของความจริง แล้วแสดงข้อมูลเท็จคนคนนั้นก็เท่ากับเป็นผู้ทำอะไรทำลายศาสนาเรามีคนที่รู้เรื่องของพุทธศาสนานี้มากนะสำนักพุทธศาสนามีไว้เพื่ออะไรหรือคนในสำนักพุทธศาสนาไม่มีความรู้เรื่องพุทธศาสนากันสักคนรู้แต่เรื่องการทำงานรู้แต่เรื่องการอะไรเงินทองเงินทองอ่าวว่ากันไปแล้วอันนั้นอนะ่ะ <laughs> โอันที่จะแก้ศาสนาให้ตรงกับหลักคําสอนไม่แก้กันนี่คืออะไรนี่พูดไปก็กระเทือนสํำนักพุทธนี่ไปการพาดทิงหรือเปล่านี่เลยเอขอขออภัยถ้าพาดทิ้งไม่ได้ต้องการเพื่อจะว่าอะไรนะขออภัยนะพูดไปอย่างนั้นแหละไม่ได้พาดทิ้งเด้อสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติชาติไหนอะชาติไหนไม่รู้คือกรจริงนะแล้วก็คือ กลายเป็นการปลุกปังนที่ว่าพอเรื่องการทำหูเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ทุกคนเนี่ยทํากันเยอะการที่ว่าจะมาปฏิบัติหรือมาเรียนรู้หลักคําที่แท้จริงเนี่ยน้อยก็คือเป็นมุ่งเน้นที่จะทําในเรื่องของทางวัตถุเป็นเดีวยวไม่ไม่ไม่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สอนความจริงแล้วทําไมเราทําความจริงกันไม่ได้เลยไม่ได้แล้วความริงยังไมไอ้าแล้วนับถือศาสนาทําไมนั่นแหละครับคือคนส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนั้นนะพอพูดถึงเรื่องหลักคาํคาสองที่แท้จริงเนี่ย ก็คิดว่านอกรู้ไปแสดงว่าจะเป็นสำนักพุทธศาสนาก็เป็นศาสนาพุทธศาสนาที่เกิดมาจากมูลฐานเห็นความไม่จริงมาด้วยความเทเๆอันนี้เราเราพูดวิเคราะห์นะไม่ได้พูดอะไรมากไปถึงความเป็นจริงว่าเจนเป็นยังไงนะสำนักพุทธศาสนานะพูดวิเคราะห์ในที่นี้ว่าหากว่าเรื่องราวทางศาสนาไม่สามารถทําให้มันถูกต้องตามหลักคําสอนได้จริง หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องราวของศาสนาที่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็ตามโดยเฉพาะสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติสแสดงว่าความเกิดขึ้นของสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อทำเรื่องราวของศาสนาให้ตรงกับความเป็นจรงิงนั่นก็เท่ากับว่าสำนักสำนักงานพุทธศาสนาก่อตั้งขึ้นมาโดยพื้นฐานแห่งความไม่จรงิงอันเนี้พูดวิเคราะห์พูดวิเพราะ์ให้ให้เล็บและทราบตัวกันว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า เพราะไม่เห็นได้แก้อะไรกันให้มันจริงๆอย่างจริแล้วตอนนี้กําลังออกกฎหมายเพื่อจะลากพระเ ข, าข้าคุกันลากลากพระเข้าคู่จริงๆให้พระทําบัญชีเงินรับลายรับลายจ่ายพระจะไปไปยุ่งกับเรื่อายรับลายจ่ายทําไมก็บอกให้บรรยายนาจกรจัด ก, การบรยายนาจกรจัด ก, การหากมีความผิดพลาดพระก็ต้องรับผิดชอบร่วมด้วยเพราะถือว่าเป็นการมอบหมายให้วยรยายนาจกรแต่งตั้งแล้วพระก็ต้องยอมรับผิดชอบด้วยหากวยรยายนาจกร ทำอะไรที่มันผิดพลาดก็คือผิดกฎหมายสานัก ง, งานเพื่อสนับแห่งพุทธศาสนาแห่งชาติทําได้แค่นี้เหรอทาไมไม่เอาสิ่งที่มันดีๆกว่านี้ออกกฎหมายในที่ดีๆกว่านี้สร้างสรรค์กว่านี้ถูกต้องกับหลักธรรมวิมนัยกว่านี้ออกกฎหมายให้พักเลิกใช้เงินไปเลย น, นู่นดีทําอย่างงี้สิมันจะได้มีปัญหาเรื่องบัญชีเงินวัดเงินทงเงินทอนเงินอะไร ออกกฎหมายไปเลยไม่พระใช้เงินไม่ท่าบาทเดียวจะไปยากอะไรไม่มีใครตายหรอกเชื <c oughs> ่อสิหน้าน่าจะจุดออกกันเยอะเพราะว่าอันนี้ผมคือมันก็น้ำท้องปามันเป็นเรื่องของคือการปฏิบัติแล้วก็ความจริงที่ท ร, ร, ร, นะนะรับทราบนะคือพอมันมีคดีเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยุูธเสพศาสนามันกลายเป็นว่านนนปนโจมตีกลุ่มแล้วก็ คือมันเหมือนเป็นความความยินดีในในในสิ่งท yep ี่เป็นอยู่แล้วครับพอมีการมาแล้วก็คงแก้ไขปุ๊บก็เดือดร้อนกันไปแล้วก็เรีนรับน้าเหมือว่าไปเราก็ต้องยอมเดือดร้อนเพื่อที่จะแก้ไขคืออันนี้เป็นคําจับเป็นเป็นการพูดลงมาจากปากพระนะครับก็ก็ไม่เป็นไรก็พระก็ต้องพูดผมก็เลยฮะก็ต้องพูดนี่นีก็ออกมาจากป้ากปากพระเหมือนกันนะนี่พูดนี่ พระกลุ่มหนึ่งบอกว่าขอให้ใช้เงินเถอะพระทางนี้บอกไม่ต้องใช้ก็ก็เป็นพระเหมือนกันก็อยู่ได้ก็อยู่ได้ไม่ใช้ก็อยู่ได้ยังไม่ได้ทันยังไม่ตายนะนี่ยังอยู่ก็อยู่ได้ก็สามารถดำรงชีวิตสืบต่อศาสนาได้พระก็บอกว่าโอ้ยนั้นกลุ่มน้อยกลุ่มเล็กอย่าไปสนใจเลยกลุ่มใหญ่นี่เขาเดือดร้อนลงตุนไปเยอะ ฮะไม่สนใจเสียงเล Harvey ็กๆ น, น้อยๆนี่อันตรายมากใช่ไหมเสียงเล็กน้อยนี่คือเสียงสะท้อนที่ดีที่สุดเสียงใหญ่ๆนั้นะใหญ่ในทางไหนสีเขาเคยชินใหญ่ในทางไหนอย่าให้มันใหญ่จนอึดอัดเนาะอ้วนมากใหญ่มากพื้นทีอยู่ไม่เป็นสุขน้ําหนักเยอะล้ำใช่ไหมอ่าเป็นอย่าง <c oughs> งั้นก็ก็วากันไปอ่ะนะมัน จิงจรงถึงข่าวที่จะต้องแก้ไขกันแล้วเราอย่าลืมว่าปัญหาพุทธศาสนาไม่ใช่มีแค่พาะตอนนี้นะมีมานแต่สมัยยุคพระเจ้าอาโศกใช่ไหมสั่งประหารเลยนะยุคของพระเจ้าตากพระเจ้าตากก็สั่งประหารเลยเนะี่ยมีนะปรติศาสตรมีตั้งแต่บวยเคี่ยนลงทันอะไรต่างๆจนถึงประหารนะยุคของพระเจ้า อะไรที่อยู่พมา่าอนโนรธามังชอบขับไล่ออกจากแผ่นดินไม่ให้เข้าอยู่ในแผ่นดินพวกนอกรีษนอกรอยพราภิกษุที่บวชมาแบบผิดๆไม่ตั้งต่อศาสนาขับไล่ออกไปเลยนี่คือการใช้อำนาจเพื่อปกป้องศาสนาอย่างถูกต้องยุคนี้เนี่ยช่วงเวลานี้มันน่าจะทำได้อยู่อำนาจเต็มกามื อ, อยเนี่ยทาได้เนาะคือมันมีความน่ากลัวที่เห็น ด้วยด้วยความจริงก็คือว่าแม่ผมเ้อาให้ฟาครับทุกวันเนี่ยการบวชบวชเพื่ออะไรกันนะะแล้วก็การที่ขอพระใหมาขอบวชมาเนี่ยต้องใส่เงินแล้วแม่ผมก็ถามทําไมใส่เงิ น, นไม่บา้าปเลยบาป ก, ก็จะทํานั่นก็ <c oughs> นเลยเดี๋ยวนี้ผที่กิน<ข>อย่างนี้เน่ะเป็นความเห็นจิตทั้นหมแล้วคือบาปก็จะทำารว่าพระบวชมาที่โผถ้าไปเปิดย่านจริงจเข้าชมาเป็นยังไง <ม>คือแทนที่จะให้มันเหมาะสมกันนี้ไหมคืออ่จารย์อยากจะใสด่ดอกไมท้ทุกเทียนะใช่แต่คือกลายว่าใสา่แล้วก็ไม่ได้ใส่สองคะคือยืนใส่ก็เลยเป็นแบบสร้างที่เหลกให้ังแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติอะไรเงี้ยเราจะเดินผูกทางได้ยังงั้นก็ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรศาสนาเนาะเราก็เลือกกันไปเนาะแยกกันไป ล, ล้มเหอะ <c oughs> อย่าไปแก้เลย <c oughs> เาไม่แก้ไม่ได้หรอก <c oughs> ใช่ watering, แ, ต filing, แต่อย่ามายุ่งกับเราก็แล้วกันใช่ไหล่ะมายุ่งกับเราแล้เป็นเรื่องอยู่นะอย่ามายุ่งกับสิ่งที่เราทําก็แล้วกันเพราะเราจะทําให้ถูกต้องตามหลักคำสอนแต่เราจะไม่ยุ่งกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่นั่นแหละแต่จะเป็นอยู่อยังไงก็เป็นไม่แก้หรอกไม่แก่ยังมายุ่งทำไมยุ่งเยอกับเขาใส่เราไม่ต้องใส่เนาะคำที่เราคำที่เราเรื่องที่เราเพราะว่า คน่คัเคือช่วงนี้ผมไปอยู่บ้านี่สเเพวันนี้จะถูกบล็อกเฟรนหรือเปล่าวันนี้พอก็มีเป็นไรมักงเนี่ยในเพจเนี่คือความจริงบใจบานะฉันทำอาหารสุขใจนะไปอ่านเจอนหนัือบอกว่าใจบากไม่ให้เอากรตามใจไม่เอาเงินใจ ให้ใส่อของกินสูเขวาวาอะไรนาะฉันก็ทำอยงน้ตลอดฉันก็ใส่ของกินสูยังไม่ใส่เละหลามถูกต้องแล้วสตางใส่าเป็นมาอออออก็แม่ผมถามเขาก็พูดใส่กลับมาทันทีเลยว่าบ้าก็จะทำก็ไม่รู้ว่าหันขี้ว่าอะไรกันคนทุกวันนี้ก็เลยไม่มีคำพูดืึนต่อ มือมงคลทการที่รู้ว่าผิดก็ยังทมันก็ร่อนนั่นแหละมันก็เข้าแต่แกงร่อน่เนี่ยร่อนขึ้นมาถึงตรงนี้ได้ตอนนี้ะตอนนี้ไปค่อยร่นมามีอะไรอีกไหมเดี๋ยวพูดต่อไปอีกมันก็จะกระเทือนกันไปอีกเยอะ ไม่ไม่อยากจะพูดมากไปกว่า น, นี้พูดเลยท่านไต้องแต่เสือแล้ว<า>พูดไปเถอะแล้ ว, วนะไม่ได้ไม่ได้ไไดพอลบอคอมพิวเตอร์อรอรอเรนะาะหนึ่งหนึ่งแสนกับอีกห้าปีแล้วจำคุกห้าปีปรับหนึ่งแสน เี๋ยวถ้าพูดในวงของเราไม่มีไอ้นี่มาถ่ายก็ไม่เป็นไรนอต ร, รัตมาจะพูดได้เต็มที่อยู่อันนี้อันนี้ถ่ายหลักฐานก็อยู่นี้นี่หมดแล้วนะ <c oughs> ทานนี้มันเหมาะกับทุกขันไม่ใช่เฉพาะคันแรกเท่านั้นใช้ได้ทุกขนแล้วก็พออ่านึนจกระรู้สึกไม่ว่าเรื่องของนงที่สาดหรืออุปสองอุสกาท่านไดนาทัาท้ยากนแล้วก็เป็นเศรจททัอ่าเราอุปสอุสการิ โอ้สำคัญต่อพุทธศาสนาอย่างยิ่งเลยเรื่องการให้ทานคือท่านไ่ได้ให้ลยแค่นั้นไม่ใช่เป็นรักษณะที่สำคัญมากแต่รู้สึกว่ามันมันจะทำให้เราขยับไปด้วยของการศรสานสิ่ง ด, ด้วยเป็นเนเป็นทองเปนนะาให้รู้สึกว่าแต่เราหาพระที่ไม่รับเงินยากนี่เป็นพระที่ไม่ทุสิงเราดูก็ไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พระที่ใส่ชุดสีกับอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพระที่เจออยูามข้า ง, า ง, ง น, น่ใ่แต่เราพอไปดออกว่า ท่านไหนที่มีความน้ำมูกโลกมากอาจจะไม่ให้ะหอะไรอย่างนีค่ะแต่ตรงที่มีุเทพ น, นี่จะเยอะมากที่คือตรงมีมองไฟว่าจะเป็นวันพักหรือเวันธรดาทุกคนอยาจะเอาไปตัด ม, ม, มากเยอะมากแล้วตัวเองเนี่ยส่วนตัวเนี่ยอยากจะถามว่ามีเรื่องหองอันนิสงบ้างไหมเพราะว่าโรก คำว่าสง์ไม่มีคําว่าประพฤติผิดศีลหรือไม่ผิดศีลสงคือสมไม่ใช่บุคคลบุคคลอาจจะทําผิดศีลได้ละเมิดศีข้าวบทได้ทําผิดพระวินัยได้แต่คําว่าสง์ไม่มีคําว่าผิดศีลหรือผิดพระวินัยเพราะสงนี้เป็นคุณลักษณะของสงทั้งปวงสงทั่วทั้งสังคมม น, นุษนั้นหมายถึงว่าไม่ได้เจาะจงในตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง การตั้งจิตไว้ว่าทานของข้าพเจ้าเป็นทานเพื่อสงสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วก็มอบให้บุคคลอยู่ต่อหน้าเราจะเป็นใครก็ตามก็ถือว่าเราได้ให้ทานแก่สงสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทานนั้นเป็นสังฆทานพระเอาของสังฆทานไปใช้โดยส่วนตัวพระก็ไปได้รับผลวิบากโดยส่วนตัวของพระเองส่วนเราไม่ได้เสียผลในเรื่องของสังฆทานแต่ประการใด ผลแห่งสังกฐานนั้นยังเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เหมือนเดิมไม่ได้มีปัญหาแล้วอย่างตอนมาเนี่ยค่ะก็ไปซื้อรถไปซื้อตัวที่หมอชิตไดกาก็ ช่วยส่งให้ได้เดินทางไปถึงเชียงใหม่ว่าท่านว่าท่านไปกวัดที่เชียงใหม่เจรนาะคะแล้วก็ซื้อตั๋วสาววสตานี้จ่ายไปแล้วก็สาวผู้อะไรเนี้ยค่ะเพื่อที่จะให้ได้แต่ฟองวันนี้ไมานั่งน้อยคิดยังไงท่านก็เป็นพระุู้ศรัทธาเลี้ยก็แต่แต่จริงๆจิต้นคือว่าให้ให้ส่งสาวของพระวุ้มีิ้วพระเจ้าท่านอยากไปเดินทางไปไหนเรามีกำลัง อันนั้นเราเราในเรื่องค ว, ความผิดความถูกเราก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรผิดอะไรถูกแค่ไม่ล่ะไอส่วนความผิดความสู่ก็ให้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลที่กระทําในเรื่องส่วนตัวของเขาในในส่วนของเรามีมุ่งจิตอนุเคราะห์มุ่งช่วยเหลืออย่างเงี้ยเมื่อการช่วยเหลือหากมันเป็นการช่วยเหลือในทางที่ผิดถามว่ามีส่วนแห่งความผิดไหมส่วนแห่งความผิดก็คือความไม่สบายใจของเรานั่นเลยมันเป็นส่วนที่เกิดขึ้นแล้ว ก็เป็นวิธีการที่เราจะต้องรับผิดชอบในส่วนของความผิดอันนี้โดยการรู้จักพิจารณาและละวางว่าอันนั้นคือสิ่งที่ล่วงไปแล้วหลับไปแล้วฉันต้อง อ, งองาต่อะไมะไม่ต้องเมื่อรู้แล้วก็ก็ตั้งเจตนาใหม่การตั้งเจตนาใหม่ก็ทำให้โทษนั้นตกไปนี่คือลักษณะของคษณาสนาที่สอนขณะแห่งกิตขณะนั้นก็คือขณะนั้นความผิดในขณะนั้นจะไม่สามารถมาเป็นความผิดในขณะนี้ได้ แต่ถ้าหากตอนขณะนี้จิตไปตึกนึกถึงความผิดขณะนั้นความผิดขณะนั้นก็สามารถโยงมาเป็นความผิดขณะนี้ได้แต่ถ้าหากเราตั้งเจตนาใหม่ที่จะไม่กระทาในความผิดแบบนั้นอีกมันก็ตกไปความผิดขณะนั้นก็ดับอยู่แค่นั้นพุทธศาสนาจะสอนอย่างนี้เพราะพรองค์เคยตัดกับเหล่าพราหมณ์ที่มาเก่าตอบโต้กับพระเถรองว่าสมณโคดม บัญญัศาสนาขึ้นมาก็สอนให้คนรักษาศีลศาสนาอื่นพวกก็สอนให้รักษาศีลมันแตกต่างอะไรจากศาสนาอื่นทําไมไม่เข้าไปอยู่กับปัตถที่อื่นซะมาตั้งศาสนาตนเองแยกออกมาทําไมให้คนนับถือหวังหลับจักรละหรือยางเงี้ยพระเจ้าก็บอกว่าศีลของเราไม่เหมือนกับศีลของศาสนาอื่นเอาไม่เหมือนยังไงก็ห้ามฆ่าสัตว์ห้ามรักราพ้าห้ามคุยในกลางห้ามโกหกห้ามดุจสุราก็ศาสนาอื่นพวกก็สอนอย่างนี้แม้แต่เราพราหมณ์ก็สอนกันอย่างนี้พระเจ้าก็บอกว่าเราพราหมณ์ก็สอนศีลนี้กันอย่างไร เราพราหมณ์เขาสอนว่าบุคคลทํากรรมชนิดใดๆมากในศีเนี่ยมากคือกรรมชนิดในการทําผิดสีนี้มากย่อมไปสู่นรกแน่นอนพระเจ้าบอกว่าตาหาคตไม่ได้สอนอย่างนั้นเอาไม่ได้สอนอย่างนั้นแล้วทําสอนอยังไงพระเจ้าก็เลยตัดถึงข้อทิท่ถีของพราหมณ์ที่ว่าทํากรรมในศีนห้ามากจะไปสุตกนรกทุกคนเราขอถามพราหมณ์นว่า บุคคลที่ฆ่าสัตว์เวลาที่เขาฆ่ากับเวลาที่เขาไม่ฆ่าเวลาไหนมากกว่ากันเวลาที่ฆ่าน้อยกว่าเวลาที่ไม่ฆามากกว่าพระเจ้าตึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นเขาไม่ควรที่จะไปสู่นรกเพราะเวลาที่เขาไม่ฆ่ามันมีมากกว่ากรรมเกิดที่เกิดจากการไม่ฆามีมากกว่าเวลาที่เขารักทรัพย์กับเวลาที่เขาไม่ได้รักทรัพย์เวลาไหนมากกว่าเวลาที่รักทรัพย์น้อยกว่าเวลาที่ไม่ลักมากกว่าเพราะนั้นเขาไม่ควรที่จะไปนรก ก็เลยเาพามก็เลยถามพระเจ้าอ๋อแล้วท่านสอนศีล5้าลักษณะศีลห้าเป็นยังไงพระเจ้าบอกว่าตถาคตสอนศีลห้าว่าการฆ่าสัตว์มีโทษการลักทรัพย์มีโทษการประพฤติในการมมีโทษการดื่มสุรามีโทษการโกหกมีโทษอย่างแต่เราไม่ได้บอกว่าบุคคลผู้กระทํากรรมชนิดใดๆในศีลห้านี้มากไปสู่นรกพงษ์ไม่ได้สอนอย่างนั้นนั่นหมายถึงว่าพงษ์สอนขณะจิตในแต่ละขณะ ขณะที่ทํากับขณะที่ไม่ทําขนาดไหนมากหรือน้อยกว่ากันมันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นโรคแต่มีโทษพงวา่าการฆ่าสัตว์เนะี่ยขณะเดียวก็ตามมีโทษเพราะอะไรเพราะนํามาซึ่งความไม่สบายใจในภายหลังว่าเราได้ฆ่าสัตว์ไว้อย่างเงี้ยเราได้รักทรัพย์เราพูดผิดนิกรรมเราได้โกหกเราได้ดื่มสุราเนี่ยมีโทษแล้วหากโทษนี้เกิดขึ้นมากับจิตที่ไร้การฝึกฝนคือจิตที่ไม่ได้ฝึกอบรมตัวเอง เมื่อใกล้เวลาระยะใกล้าตายนิมิตรหรือว่าความผิดลึกโทษเราเนี่ยมันมีภาพปรากฏแห่งความผิดภาพของความผิดหรือภาพแห่งกรรมเป็นคตินิมิตรปรากฏในเวลาใกล้าตายก็จะหน่วงเหนียวเอาความผิดนี้ไปสู่พบสันติชานบ้างเปรียพี่ปีสาธุสรรุรกายบ้างหรือถ้าเป็นมนุรรษย์ก็เป็นมนุษย์แบบอายุสั้นเพราะข้าศัตร์ทรัพสมบัติวิบัติไปเพราะรักทรัพย์ พ่อครัวแตแกแยกเพกราะขืนเนกมไม่มีใครเชื่อถือเพราะโกโหกและสติปัญญาฟั่นเฟือนเพราดื่มสุรา้ากเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ประเภทนี้นี่แม่ะโทษมันจะติดตามอย่างนั้นก็ทำยังไงถึงจะปิดความรู้สึกผิด ท, ทั้งเรืจตนาว่าเราจะไม่ทำก็ตั้งเจตนาใหม่ที่จะไม่ทำก็กปิดได้แล้วแค่นี้แหละสติเป็นเครื่องกัน้นคือรู้ว่าอะไรผิดก็ล่วงไปแล้ว สิ่งใดที่ร่วงไปแล้วละไปแล้วดับไปแล้วโทษที่ทําครั้งนั้นก็เป็นโทษในครั้ง น, นั้นอย่าเอาโทษครั้ง น, นั้นมาเป็นในครันน้งนี้มันคนละขณะกันเมื่อเรารู้ขนาแห่งกิตเขาก็ปล่อยในสิ่งที่ร่วงไปแล้วละไปแล้วดับไปแล้วปล่อ ย, ยให้อดีตเป็นอดีตความผิดในอดีตก็ให้เป็นความผิดในอดีตเราทําบุญเราทําบุญในวันนี้บุญในวันนี้ไม่เป็นบุญของาวนันพรุ่งนี้บุญในวันนี้เกิดในตอนนี้แล้วก็ดับในตอนนี้ จะส่งผลอีกอีกทีนึงก็แล้วแต่เหตุปัจจัยที่จะส่งผลว่าจะส่งผลในเวลาระยะเวลาในอนาคตเป็นระยะเวลาช่วงเวลาไหนเราก็ไม่สามารถที่จะกำหนดได้อย่างเงี้ยแต่พระเจ้าบอกว่าระลึกถึงบุญที่ตนเองเคยทําบ่อยๆมากๆก็จะได้บุญใหม่ในวันต่อไปในสิ่งที่เราเคยทํานี้ระลึกระลึกใหม่ก็จะได้บุญใหม่เหมือนกันกันกบระลึกถึงบาปที่ทําก็จะได้บาปใหม่ เมื่อได้เราระลึกถึงบาปที่ทําแล้วได้บาปใหม่เราควรอยากจะลึกๆมั้ยล่ะก็ไม่ ล, ะ, มละลึกแค่แค่นั้นเองพอไม่ระลึกมันก็มันก็ตกไปแล้วมันก็จบกันไปแล้วแค่นี้วิธีง่ายๆใช่ถูกรู้สึกผิดนั่นแหละใช่อันนี้เราต้องแก้เราเองเราไปแก้พระไม่ได้แก้สังคมไม่ได้แก้จิตเราเองเมื่อจิตแก้จิตเราได้ปุ๊บเราก็ทําจิตเราให้พ้นออกจากโทษนั่นเอง เมื่อหลุดพ้นออกจากจโทษแล้วก็มันก็จะสบายเองนี่คือหลักของการเอาตัวรอดหรือว่าทําให้ตัวเองพ้นจากความทุกข์ในโลกในวัฏจนี่คือทางสายการในทางพุทธศาน <swords> สนาในขณะที่เราทํำทางค่ะ<ส><น><ส><น>แต่และครั้งที่เราทำกับคนลำบากหรือว่าใครก็ตามที่ร่วมงานอะไรเราทำเราในความสุขมากแต่ก็ระลึกถึงท่านนั้นบ่อยๆ ความทุกข์เป็นสัตว์จกักไม่ได้ทุกข์เพราะทําบุญนะแต่ทุกข์เพราะตั้งความเห็นได้ผิดคนละมูลเหตุกันบุญก็คือบุญบุญไม่สามารถดับทุกข์ได้บุญเป็นเพียงแค่เครื่องอาํานวยผลในวะะัฏจักดับทุกข์ให้เราไม่ได้การที่จะดับทุกข์ได้ต้องมีความเห็นที่ถูกต้องแสดงว่าที่เรามีความเห็นผิดแล้วเกิดก่อให้เกิดทุกข์มันก็ถูกเพราะทุกข์มาจากความเห็นผิด ร่างเงาของความทุกข์ก็คือความเห็นผิดทำทำยังไงถึงจะเห็นถูกก็หลักของสมาธิที่ที่ได้ศึกษามาเป็นยังไงคิดถูกแค่ไหมคิดคิดถูกหนึ่งเห็นถูกแค่ไหมสมาธิหนึ่งเห็นถูกสองคิดถูกก็เห็นให้มันถูกและคิดให้มันถูกคิดถูกกับเห็นถูกเนี่ยทำยังไงคิดยังไง ทำยังไงถึงจะคิดถูกถึงยังไงถึงจะเห็นถูกตต้้้ออง่่าแแลลววก็ยมันอาจจะใช่นะไม่ว่าทําขนาดนี้เลยคิดให้ถูกขนาดนี้เลยแล้วเห็นให้ถูกขนาดนี้เลยทํำยังไงความทุกข์มันเป็นความทุกข์แล้วเราก็เห็นความทุกข์ว่าเป็นความทุกข์ความทุกข์มาจากมูลเหตุของมัน พระเจจึงบอกว่าสมาธิให้เห็นทุกข์ก่อนเห็นเหตุให้เกิดทุกข์ว่ามเหตุมาจากไหนเมื่อมีเหตุจึงมีทุกข์แสดงว่าความทุกข์นั้นไม่ใช่ความทุกข์ที่ผิดจากหลักความจริงเป็นความทุกข์ที่ถูกต้องกับหลักความจริงเพราะมันมาจากเหตุหากไม่มีเหตุทุกข์จะเกิดขึ้นมาลอยๆได้ไหมไม่ได้มันมาจากเหตุก่อนจะเหตุมาจากอะไรก็ตามเราไม่เราไม่ต้องไปดูแต่เรารู้ว่ามันมีเหตุแน่ หรืออันเราอาจจะรู้ก็ได้เหตุบางเหตุแต่เหตุบางอย่างมาจากอดีตชาติก็มีเช่นบางคนบอกว่ามีคนมาขโมยของเราทั้งๆ ท, ท, ที่เราชาตินี้เราไม่เคยขโมยของใครแล้วเข้ามาขโมยของเราได้ยังไงชาตินี้เราก็ไม่เคยขโมยของใครอดีตชาตินี่ไงมันจึงเป็นมูลเหตุที่จะอธิบายให้เราได้รู้ว่าที่ของเราหายเพาราะเราเคยขโมยเขามาก่อนจากอดีตชาติ แต่อดีตชาติเราไม่รู้ว่าเราไปทำอะไรมาอันนั้นก็คือให้แต่ให้เรารู้ว่ามันมีเหตุเพราะฉะนั้นเหตุที่เรารู้ก็มีเหตุที่เราไม่รู้ก็มีแต่ให้รู้ว่าความทุกข์เกิดขึ้นพอมีเหตุแน่ๆเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นมีเหตุมันก็ต้องเป็นทุกข์เป็นธรรมดาเพราะมันมีเหตุของมันตราบใดที่เหตุมันยังไม่ดับความทุกข์ก็จะไม่ดับแต่ ผู้ได้เจ้าสอนให้เราได้เห็นแล้วปฏิบัติต่อความทุกข์นั้นมากก็เมื่อรู้ว่ามันเป็นทุกข์เราจะไปทุกข์กับมันทําไมนั่นหมายถึงว่าพระองค์จะพยายามสอนให้เราไม่ต้องทุกข์เพิ่มจากทุกข์เดิมที่เกิดขึ้นนั้นไม่สร้างทุกข์เพิ่มใหม่ให้เกิดขึ้นเหมือนกับนางวิสาขาเป็นถึงขั้นพระโสดาบันแล้วติดต่องานราชการกับพระเจ้าประสิทธิโกศลไม่ผ่านเพราะอมัดกีดกันไปถึงสามครั้งก็ไม่ผ่านอํามัดไม่ให้ผ่าน แตพยายามให้สิน้านนีผ่านแต่ให้พยายามให้ของนีผ่านก็ไม่ให้ผ่านไม่ให้ ไ, หได้รับอนุญาตในเมืองนั้นไม่ให้ผ่านข้ามแดนอะไรประเภทนี้ก็สีนะาสีหน้าเศร้าส้อยไปหาพระเจ้าพระเจ้าก็ากกตรัสถามวิสาขาเธอเป็นอะไรมาสีหน้าเศร้าส้อยอย่างนี้ข้าพูงมีความทุกข์ใจพระเจ้าข้า <c oughs> ทุกข์ใจเรื่องอะไรล่ะก็ไปติดต่อาการงานแล้วไม่ผ่านพระเจ้าข้า พระเจ้าก็เลยบอกว่าวิสาขาเอ้ยการงานที่ไม่เป็นไปตามอํานาจมันก็เป็นทุกข์อย่างนี้แหละพูดพวงตัดจบแค่นี้น้าวิสาขาเข้าใจปั๊บทันทีเลยอ๋อมันเป็นทุกข์แล้วเราไปทุกข์กับมันทําไมตั้งนานนั่นหมายถึงว่าก็การงานที่ไม่เป็นไปตามอำนาจมันก็เป็นทุกา ข, าข์อยู่แล้วถือว่าเป็นธรรมาดามเรื่อเป็นปกติอย่าไปทุกข์กับมันมันเป็นทุกข์อยู่แล้วก็ให้มันเป็นทะุกข์ไปนะ นั่นคือสมาทิฏิคือเห็นทุกเป็นทุกเมื่อเห็นทุกเป็นทุกก็อย่าไปทุกกับมันสมาสังกัปปะคิดตามหลักของสมาธิฏิว่าคิดในหลักของอริยสัจคือเห็นทุกเห็นเห็นให้เกิดทุกเมื่อเราไม่ทุกกับมันมันก็ดับไปแต่ทุกมีอยู่ก็ให้มีอยู่เพราะมันมีตามเหตุปัจจัยของมันมันมีอยู่ก็มีไปแต่เราไม่ทุกกะมับมันนั้นก็ดับไปแล้วเมื่อทําได้อย่างเนี้ยมันจะเป็นมัคคือเห็นทุกเห็นเหตุให้เกิดทุกเห็นความดับไปเห็นของทุกก็เห็นมอยู่ในนั้นนี่คือททางดับุก พระเจ้าจึงบอกว่าทุกจึงควรยอมรับเหตุให้เกิดทุกคือการสร้างทุกใหม่จากทุกเดิมที่เกิดขึ้นเป็นของควรละเมื่อละได้แล้วก็เป็นนิโรธคือเราไม่ไม่ทุกเพิ่มกับมันก็เป็นนิโรธการทําได้อย่างเงี้แหละคือมันมักเมื่อเราคิดตามหลกักอริยสัจอย่างนี้ปับ๊บมันก็เป็นสัมมาวาจากัมมันตาอาชีวะวายามาสติสมาธิอยู่ในตัวเองสีสมาธิปัญญาถูกบรรจุไว้แล้วในขณะจิตนั้นเวลานั้น จนกว่ามันจะเต็มรอบพอเต็มรอบปับ๊บมันก็ละอาสวักิริยภายในใจได้แต่ละระดับยากไหมําสอนพระเจ้าไม่ยากครับแต่ลึกไม่ยากเนาะลึกซึ้ ง, งพระเจ้าจึงได้เป็นผู้ชื่อว่าทําของอยากให้ง่ายทําของที่ลึกให้ตื้นทําของที่ข้อนอยู่ให้หงายขึ้นฟังแล้วก็ง่ายแต่ไปทํามันยากเนาะซึ้งครั เรามีความทุกข์เป็นธรรมดาแต่เวลาทุกข์เกิดขึ้นไม่ธรรมดาเลยทำไหมคุณยายเนี่ยก็อปวดแข้งปวดขาอยู่เนาะไม่ธรรมดาหรอกถึงแม้จะบอกมีความเจ็บเป็นธรรมดาธรรมดาก็ไม่ธรรมดาเราบ้างวันนี้พอสมควรแก่เวลาเนาะ ได้ได้ได้โชคดีทางปลอดภัย